ยังไงหายหน้าหายตาไปไหนมาการื่น่ะอีกเท่าม้คะอยู่ที่ไหนอยู่ที่จันทร์อ่าอยู่ที่จันทร์อ่าเดี๋ยวันนี้กลับจันทร์เลยเด้ออือออกมาตั้งแต่กี่โมงอะออกมาตั้งแต่แปดโม ติดตามทางเฟซบุ๊กอยู่หรือเปล่าติดตามอยู่ยติดตามกับมาที่นี่ไม่เหมือนกันนะติดตามทางบ้านครับมาที่นี่ไม่เหมือนกันนะเหมือนหรือเปล่าที่นี่รู้สึกจะได้กำลังกว่าค่ะกำลังกว่าอ่ะกำลังใจชาดมากค่ะอ่าอืมบรรยากาศมันไม่เหมือนกันนะ บรรยากาศที่บ้านมันมีแต่ดูดกําลังเราออกไปอือยู่บ้านแล้วเหนื่อยอกเหนื่อยใจพอมาอยู่วันแล้วรู้สึกว่ามันอิ่มอกอิ่มใจความสงบจากของพื้นที่มันก็ช่วยเราได้นะสถานที่สงบมันทําให้เรื่องราวต่างๆมันก็ไม่เข้ามารบกวนใจเราถ้าอยู่ที่ที่มันวุ่นวายนี่มันเห็นอะไรมันก็เหนื่อยอกเหนื่อยใจไปหมด ต้องปลีกกิเวกกันถ้าเราอยากจะมีกำลังใจหาเวลาปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปอยู่ตามวัดตามอะไรแล้วก็นั่งเฉยๆทำใจให้สงบแล้วใจเราจะมีพลังมีกำลังที่จะไปต่อสู้กับชีวิตต่อไป ถ้าเวลาไหนรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกําลังจิตกําลังใจก็ควรจะไปเติมกาลังใจที่วัดกันไปหาที่สงบถ้ามีที่ฟังเทศฟังธรรมอย่างที่นี่ได้ไว้ก็ดีนอกจากความสงบแล้วเราก็ต้องการความรู้ความรู้ที่จะมาปรับใจของเราให้สบายอ ความสบายกับความไม่สบายใจนี่มันเกิดจากใจของเราเองที่ไม่รู้จักปรับไม่รู้จักปรับใจให้เข้ากับเหตุการณ์ชอ้ไปปรับเหตุการณ์ให้เข้ากับใจเรามันเยเหนื่อยเพราะเหตุการณ์นี้มันบางทีเขาปรับได้บางทีเขาปรับไม่ได้แต่ใจเรานี้ปรับได้ตลอดเวลา ถ้าเรารู้จักวิธีปรับมันปรับให้มันรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้ฝนตกก็รับได้แดดออกก็รับได้ขึ้นก็ได้ลงก็ได้แต่เราชอบไปปรับข้างนอกไปปรับเหตุการณ์อยากให้มันขึ้นอย่างเดียวอยากให้เงินเดือนมันขึ้นอย่างเดียวพยายามไปปรับเงินเดือนกันปรับเท่าไหร่มันก็ไม่พอใช่ไห พอปรับไม่ได้ก็ทุกกันแต่ถ้ามาปรับใจให้ยินดีกับเหตุการณ์ยินดีกับเงินเดือนเขาให้เราเดือนเท่าไหร่ก็ยินดีกับมันให้เดือนละเก้าพันก็โอเคให้หมื่นสองก็โอเคขึ้นได้ลงได้ถ้าอย่างนี้แล้วใจเราจะไม่เหนื่อยใจเราจะสบายที่เหนื่อยก็เราพยายามจะไปปรับ เหตุการณ์ต่างๆมาให้เท่ากับความต้องการของเราความต้องการของเรามันก็มีปัญหาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอได้คือก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้ว า, อาลองย้อนอดีต ด, ดูทีตั้งตอนที่เราเป็นเด็กนี่วันหนึ่งเราได้กี่ตังค์กันทำไมเด็กๆได้มาละยี่สิบสามสิบบาทก็ พอแล้วพอเริ่มทำงานก็ตั้งมาละร้อยสองร้อยแล้วถึงจะพอพอทำงานนานขึ้นมีเงินเดือนมากขึ้นวละร้อยสองร้อยก็ไม่พอแล้วต้องห้าร้อยพันหนึ่ง 1, พอมันมีมากมันก็ใช้มากพอใช้มากแล้วมันก็ติดคือมันขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ใช่ไหม เอทำไมเราไม่นึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กกันล่ะตอนนั้นเราวันหนึ่งเรใช้ไม่กี่สตังค์เราก็มีความสุขไดม้มีความสุขมากกว่าตอนนี้สิตอนนี้ใช้เงินมากกว่าตอนที่เราเป็นเด็กแต่กลับมีความสุขน้อยกว่าตอนที่เราเป็นเด็กเพอาะตอนนี้เราเห็นของที่เราอยากจะซื้อมากขึ้นแล้วเงินไม่พอซื้อ มันก็ไม่มีความสุขละแต่ตอนเป็นเด็กเราไม่รู้ว่าข้าวของมีอะไรบ้างเรามีแค่ซื้อขนมกินไปวันๆหนึ่งเราก็พอละมีความสุขได้ละเพรฉนั้นเราควรจะมาปรับใจเราใหม่ตอนนี้ใจเรามากมา ก, มากเรียกว่าโลก <S <S โลกมากพระพุทธเจ้าบอกว่ามาปรับให้เป็นมักน้อยจะดีกว่า มักน้อยเอาน้อยน้อยเอาเท่าที่จำเป็นของไม่จำเป็นอย่าไปเอามันมาเลยเพอาได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอเช่นเครื่องประดับต่างๆนาฬิ ก, กาไม่ต้องมีก็ได้อาศัยนาฬิกาของคนอื่นก็ได้มือถือก็มีนาฬิกาอยู่ ไม่มีรายกาวสมัยก่อนเดินไปตามร้านก็นมองเข้าไปในร้านเขาดูก็ได้ตอนนี้กี่โมงเราจะได้ไม่ต้องดิน้นรนมากไม่ต้องหาเงินมากทัก้งวันนี้เราดิน้นรนงินมากเพราะเราต้องการมากแล้วสิ่งที่เราต้องการก็ไม่จำเป็นจะต้องมีคือถ้าไม่มีไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นถ้า มันไม่มีแล้วตายเนีถึงเรียกว่าจําเป็นเช่นลมหายใจเนี่้ไม่มีได้ไหมก็ต้องหายใจกันะถ้าไม่มีลมก็ต้องไปซื้อลมมาหายใจกันเี่แต่เสื้อผ้านี้ตอนนี้พอหรือยังมีพอใส่หรือยังเรายังอยากจะได้กหรือเปล่าออมันจําเป็นไหยถ้าไม่ได้นั้นแล้วมันตายไหมรองเท้า ใหม่กระเป๋าใหม่ตุ้มหูใหม่สร้อยใหม่แหวนใหม่ของประดับอะไรต่างๆเต็มบ้านไปหมดเรามันได้อะไรได้มาแล้วก็วางไว้เฉยๆอย่างนั้นไม่ได้ให้ความสุขเหมือนกับตอนที่เราได้มาใหม่ๆเวลาได้มาใหม่ๆดีใจพอได้มาแล้วก็ไปวางไว้เฉย ๆ, ๆไม่ได้ทำให้เรามีความสุขติดต่อไป นอกจากไม่มีความสุขแล้วทำให้เรากังวลนี่ถ้าเป็นของมีค่าเดี๋ยวกลัวหายอีกต้องคอยเก็บอีกต้องไปเสียเงินไปเช่าตู้เซฟอีกเพิ่มรายจ่ายขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามักน้อยแล้วแหมมันสบายเอาเท่าที่จำเป็นเสื้อผ้าสองสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไวส้ไวสำรอง ช่วงนี้ฝนตกสักแล้วอาจจะไม่แห้งก็มีชุดสำรองไว้เนี่ยมีสามชุดก็พอละพระพุทธเจ้าท่านมีแค่สามผืนมีผ้าไตาหนึ่งชุดเท่านั้นเองท่านก็อยู่ได้มากน้อยแล้วมันสบายมันไม่ต้องดิ้นหลนถ้ามากมากแล้วมีเสื้อผ้าเต็มบ้านก็ยังไม่พอ บางคนนี่ทำห้องนอนห้องเป็นห้องห้องนี้เป็นเก็บห้องเสื้อผ้าเลยเมื่อก่อนก็ใช้ตู้เสื้อผ้าที่ตู้เสื้อผ้ามันเต็มก็เลยเอามันทั้งห้องเลยจัดห้องเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าเก็บรองเท้าเก็บกระเป๋าเลยเขาเก็บไว้ทาไมแล้วเวลาใช้มันใช้มันทั้งห้องหรือเปล่าก็ใช้มันทีละชุดเท่านั้นบางชุดซื้อมาแล้วใช้หนเดียวก็ไม่ใส่แล้ว ไม่ถูกใจเวลาเห็นในร้านรู้สึกมันถูกใจไปหมดพอซื้อมาอยู่ที่บ้านแล้วมันกลับไม่ถูกใจเลยนะจะทิ้งก็เสียดายจะให้คนอื่นก็เสียดายเพราะเสียเงินไปเยอะแต่ละชุดมันไม่ใช่น้อยๆแล้วเงินนี้ต้องเอามาจากที่ไหนที่จะมาซื้อของพวกนี้มันก็ต้องไปหากันมันไม่ได้ตกมาเหมือนน้าฝน หาเงินนี้เหนื่อยนะหางานทํา น, นี่เหนื่อยนะเนี่ยเราไปสร้างความหนัก อ, อกหนักใจให้กับตัวของเราเองด้วยความอยากของเราเนะี่ยอยากได้มากๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เราต้องเหนื่อยต้องหามามากๆากแล้วก็คิดว่าหามามากเราจะมีความสุขมากเหมือนกับทุกมากเลยเพราะมันต้องหาที่เก็บแล้วยใหาที่รักษา ต้องคอยดูแลรักษา น, นี่คืออย่าไปปรับข้างนอกปรับข้างในพระพุทธเจ้าบอกปรับใจของเราให้มากน้อยให้ยินดีเท่าที่จำเป็นอันไหนไม่จำเป็นอย่าไปเอามันมาเลยพระพุทธเจ้ามีสมบัติแค่แปดชิ้นเท่านั้นเองท่านอยู่ได้มีบาทใบหนึ่ง บาตนี่ก็เป็นเครื่องมือหากินแล้วเช้าก็หิ้วบาตรเข้าหมู่บ้านก็มีอาหารกินแล้วจีวรก็สามผืนสมัยก่อนผ้าก็ไปหาผ้าที่เขาทิ้งในป่าชา้าไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปทำงานพระนี่ไม่อยากจะไปทำงานอยากจะมานั่งเฉยๆอยากจะมานั่งสมาธิ พอนั่งเฉยๆแล้วมันมีความสุขไปทํางานแล้วมันเหนื่อยมันทุกข์ของง่ายๆยานี่เห็นชัดๆพวกเรากับไม่ทํากันนั่งเฉยๆมันสบายจะตายไปทํามันไม่นั่งกันให้นั่งเฉยๆสักปั๊บเองนั่งเวลาไปทําอะไรเสียเป็นจนเป็นติดได้ใส่พอมันนั่งอยู่เฉยๆแล้วมันจะเกิดอาการอึดอัดขึ้นมา ถ้าได้ไปทำอะไรแล้วรู้สึกโล่ง อ, อกโล่งใจขึ้นมาแต่ใ น, นขณะเดียวกันก็ต้องไปหนักอกหนักใจกับเรื่องที่เราไปทำอีกทำแล้วเดี๋ยวไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจทำหน้าบางทีก็ต้องไปขัดใจกับคนอื่นอีกไปมีเรื่องกับคนอื่นอีกถ้านั่งเฉยๆรับรองไม่มีเรื่องกับใครอยู่บ้านเฉยๆได้นั่งเฉยๆ กินกับ น, นอนแค่นี้ก็พอแล้วชีวิตความสุขคุณมันอยู่อยู่แค่ตรงนี้แหละอยู่ที่ใจสงบแล้วอยู่ที่ร่างกายมีอาหารกินมีที่พักแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านมีท่านมีแค่นี้ท่านมีบาตรไว้สําหรับหาอาหารมีผ้าหอ่อศพมาทําเป็นจีวรไว้นุ่งหม่มเป็นเครื่องนุ่งหม่ม ส่วนบ้านก็ท่านก็หาที่หาตามโคนไม้อยู่ทำเพิงทำอะไรไว้กันแดดกันฝนแล้วอยู่ตามถาม้ำตามเงื้อมผาแล้วท่านก็นั่งเฉยๆวันวันหนึ่งไม่ทำอะไรนั่งมันเฉยๆสบายจะตายเนีย่ยม่ดูพระพุทธรูปแต่ละองค์นี้มีท่านมีท่าทำะไรวา มีท่าไปเล่นกีฬาไปตีกอล์ฟไปตีเทนนิสหรือป่ะมีแต่ท่านั่งอย่างเดียวใช่ไหมนี่พระพุทธเจ้ากำลังสอนพวกเราแต่พวกเรากลับไม่มองไม่ไม่รู้ความหมายของพระพุทธรูปว่ามีไว้สอนพวกเราสอนให้พวกเรานั่งเฉยๆกันถ้านั่งเฉยๆได้แลสบายไม่เสียงเงินสักบาทไม่ดีแล้ว น, นั่งเฉยถ้านั่งเป็นมันจะมีความสุขมากนะมีความสุขมากกว่านั่งดูทีวีนั่งดูละครนั่งดูคอนเสิร์ตนั่งดูอะไรต่างๆสู้นั่งหลับตาทําใจให้สงบน้อยๆถ้าใจสงบแล้วจะมีความสุขมากกว่าความสุขทั้งต่างที่เราหากันอยู่ในขณะนี้นี่แหละความสุขที่เลิศที่พิเศษนี่ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องอะไรอยู่บ้านเฉยๆใส่เสื้อผ้าสบายๆชุดนอนก็ได้นั่งสมาธิใส่เสื้อผ้าหลวมๆสบายทำทาใจให้สงบให้นิ่งได้ทั้งใจจะมีความสุขมากส่วนร่างกายก็เนี่ยมีอาหารกินวันละมื้อสองมื้อก็พอมีที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอ ถ้าไม่สบายก็ไปรักษาสามสิบาทรักษาทุกโรคได้สบายชีวิตของเราไม่ต้องดิ้นดอนหาอะไรมากกันะดิ้นมาแล้วได้อะไรกันได้ได้ความสุขกันหรือเปล่าได้แต่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้แต่ความท้อแท้เบื่อหน่ายเราหากันมาตั้งแต่เราจบเรียนจบมาไปทํางานเราห า, าข้าวของหาอะไรต่างๆ ความสุขทุกรูปแบบ น, นะแล้วมันพอหรือยังมันทําให้เราเกิดความพอความอิ่มกันหรือยังแล้ก็ยังหิวเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นหาเพราะความสุขหลังนี้มันเป็นความสุขที่ทําให้เราหิวมันไม่ได้ทําให้เราอิ่มดูหนังแล้วก็ต้องดูอีกเรื่องหนึง่งดูหนังแล้วเขาก็มีฉายหนังตัวอย่างให้ดูอีกเรื่องเดี๋ยวพอหนังเรื่องใหม่มา ก, ก็อยากจะดูอีกแล้วหิวอีกแล้ว ใะ่แต่นั่ง น, นั่งเฉยๆได้ใจสงบได้แล้วใจจะอิ่มจะไม่อยากไปไหนไม่อยากจะไปดูอะไรไม่อยากไปฟังอะไรไม่อยากจะไปเจอใคร <S <S อยู่คนเดียวสบายไม่วุ่นวายอยู่กันสองคนเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเมื่อถ้านานๆไม่ได้เจอกันเวลาเจอกันใหม่ๆโอ้ยดีอกดีใจกอดกัน เดี๋ยวอยู่ไปสักพักเดี๋ยวก็เบื่อขี้หน้า น, ะ น, นี่คือสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อถ้าเราเห็นมันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็เบื่ออาหารโอชะ ข, ขนาดไหนถ้าให้มันกินทุกวันเดี๋ยวมันก็เบื่อเราเราสั่งอาหารจานโปรดมากินสักเจ็ดวันทุกวันวันละสามือ้อดู อาทิตย์หนึ่งมันก็ไม่อยากจะกินละกินไม่ลงนะเขาต่างๆในโลกนี้จะวิเศษขนาดไหนพอได้มันมาสักพักแล้วมันก็เบื่อละมันไม่ได้ทําให้เราอิ่มเราสุขเราพอไปเรื่อยๆมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทําให้เราสุขให้เราอิ่มให้เราพอไปเรื่อยๆไม่มีวันเบื่อก็คือความสงบเนี่ยเนี่ยความสงบที่พระพุทธเจ้ากําลังสอนพวกเราอยู่เนี่ย นั่งเฉยๆเถิดลูกเอ้ยแล้วจะมีความสุขอย่าไปดิ่นลนหาอะไรเลยหาแล้วมันจะทุกข์เพราะมันจะทำให้เราเบื่อถ้ายังไม่เบื่อบางทีมันก็จากเราไปก่อนเพรามันจากเราไปเราก็ทุกข์อีกพอไม่จากเดี๋ยวมันเราก็เบื่อมันอีกก็อยากให้มันจากอีกใช่ั้ยได้มาของใหม่ๆก็รักเราชอบ พออยู่ไปบ่อยๆเห็นมันบ่อยๆก็เบื่อแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนใหม่แล้วนะโทรศัพท์มือถือนี่เปลี่ยนมากีดเครื่องมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช้ไปสักพักเดียวมันก็เบื่อแล้ว ก, ก็มีของใหม่มาหลอกมาล่อเราดีกว่าเกา่าทําอย่างงู้นทํำนี้ได้มากกว่าเกา่ามันก็าพูดโทรศัพท์เหมือนกันจะดีองั้นมันก็ใช้พูดโทรศัพท์ ถ่ายรูปมันก็แค่ถ่ายรูปเหมือนกันความสุขต่างๆเหล่านี้มันเป็นความสุขที่ทำให้เราทุกข์กันเพราะมันจะต้องมีวันเบื่อเมื่อวีวันหมดถ้าไม่เบื่อไวลาเกิดยังไม่เบื่อมันหมดก็เสียใจอีกเวลามันเสียเวลาโทรศัพท์เสียนี่ก็ทุกข์ใจแล้วต้องหาเครื่องใหม่มาใช้แล้ว เครื่องเก่าใช้ไม่ได้หายไปเสียไปมีของอันเดียวท่า น, นที่ไม่มีวันเสียไม่มีวันหมดคือความสงบเนี่ยความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยถ้าเราทำให้มันเกิดขึ้นมาได้แล้วเราจะสามารถทำให้มันเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลามันมีอยู่ในตัวของเรานี่เองอยู่ในใจของเราเราไม่ต้องไปหาอะไร ที่ไหนเลยหาความสงบในตัวเราเถิดเราจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เรียกว่านัตสันติบาลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบนี่แหละเป็นความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและดีกว่าเพราะเป็นความสงบเป็นความสุขที่อิ่มที่พอ ความสุขอย่างอื่นนี่เป็นความสุขที่ทำให้เราหิวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หิวอยากไดก้ได้มาเท่าไหร่มากน้อยเดี๋ยวก็หิวอีกของเต็มบ้านหมดนะแต่ใจหิวของเต็มบ้านน้นบ้านแต่ใจกลับไม่อิ่มเหมือนกับของที่เต็มอยู่ในบ้านบ้านบอกอิ่มแล้วข้าไม่มีที่เก็บแล้ว แต่ใจไม่มีวันอิ่มจากการที่ได้สิ่งต่างๆมาเพราะมันไม่ได้เป็นอาหารของใจอาหารของใจก็คือความสงบเนี่ยทาใจให้สงบแล้วใจจะมีความอิ่มพออิ่มแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีข้าวของเงินทองไม่ต้องมีสิ่งต่างๆที่เรามีกันอยู่ดูพระพุทธเจ้าเนี่ยพอท่านอิ่มแล้วตอน คำที่ท่านตัดสรุเนี่ยแปลว่าท่านได้พบกับความอิ่มแล้พอแล้วถึงเมืองพอแล้วแล้วหลังจากนั้นท่านอยู่ยังไงท่านก็อยู่แบบคนจนเนี่ยอยู่แบบไม่มีอะไรมีสมบัติแค่แปดชิ้นนะมีบาทไวหากินเรื่องปากเรื่องทองมีผ้าไตสามผืนไว้นุ่หงห่มผ้าไตานี่ก็เป็นผ้าหอ่อศพ สมัยก่อนไม่มีคนถวายผ้าช่วงนี้ที่มีกระถินก็เพราะว่าตอนหลังคนเห็นว่าพระไม่มีผ้าใช้ต้องไปหาผ้าห่อศพก็เลยมาถวายผ้าเป็นผ้ากรถิ่นรียกว่าผ้ากรถินไปแต่ก่อนหน้านั้นเป็นผ้าป่าผ้าป่าก็คือผ้าที่ก็าทิ้งในป่าช้าเรียกว่าผ้าป่าเยผ้าสมัยพระพุทธเจ้านี่หา ต้องไปหาผ้าหอ่อศพสมัยก่อนเขาไม่เผาศพกันเขาไม่ผังเขาไม่ฝังกันเวลาคนตายเขาก็ผ้ามาหอ่หอหมัดไว้แล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชา้าปล่อยให้มันเน่าเปื่อยไปพอเน่าเปื่อยไปแล้วผ้ามันยังไม่ขาดผ้ามันยังดีอยู่เพียงแต่ว่ามันมีน้ำเหลืองน้ำเลือดอะไรก็เอาไปต้มย้อมซักมันซักย้อมใช้แก่นไม้ ต้มน้ำเอาแก่นไม้ใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้าเนี่ยมาซักผ้าหอ่อศพแล้วก็มาเย็บเป็นจีวร น, นี่เราเรียกว่าผ้าป่าผ้าบางสกุลเราจะมีธรรมเนียมสมัยนี้เวลาคนตายเราถวายผ้าบางสกุลกันก็ผ้าหอ่อศพแต่ผ้าบางสกุลสมัยนี้มันไม่ได้หอ่อศพมันถอดด้วยพลาสติกออกมาจากโรงงานเลย สะอาดสะอาดสวยงามแต่สมัยพุทธกาลนี้ผ้าห่อศพนี้เป็นผ้าที่เก็บมาจากป่าช้าจริงๆมีน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำอะไรนี่ติดอยู่กับผ้านั่นนี่เนี่ยแหละคือเครื่องนุ่งห่มของพระพุทธเจ้าเราของคนที่อิ่มแล้วสมัยที่ท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถานี่ เสื้อผ้าของท่านนี่ติดเพชติดพลอยเต็มไปหมดเป็นผ้าไหมผ้าแพ้รท่านไม่มีความสุขแต่พอมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วใส่ผ้าหอ่อศพกบมีความสุขเพราะใจท่านถึงจุดอิ่มตัวท่านปรับใจของท่านให้อิ่มได้ปรับใจของท่านให้สงบพอทำใจให้สงบปราศจากความอยากความโลภแล้วทีนี้ใจมันก็อิ่มสบาย ไม่ต้องมีอะไรสิ่งที่ต้องมีก็มีสำหรับร่างกายใจไม่ต้องมีอะไรร่างกายก็มีปัจจัยสี่ก็มีบาทไว้หากินหาอาหารมีผ้าหอ่อศพผ้าบังสกุลเป็นเครื่องนุ่งหง่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามโคนไม้ทําเพิงทําอะไรกันแดดกันฝนไปอยู่แบบง่ายๆ ไม่มีสมบัติอะไรจะไม่ําเป็นจะต้องมีไม่ต้องมีประตูมีหน้าต่างมีกุญแจล็อกข้าวล็อกของพระพุทธเจ้ามีของแก้แปดชิ้นจีวรสามชิ้นบาทหนึ่งใบมีดกรเป็นห้าเข็มกระไดเป็นหกเข็มขัดรัดเอวเป็นเจ็ดแต่ก็ที่กองน้ำ สมัยก่อนต้องตักน้ําในในบึงในห้วยในอต้องมีตัวสัตว์มีมีลูกน้ํามีอะไรเวลาตักน้ำเลยต้องตักตักด้วยที่กองตักน้ําขึ้นมาแล้วเจ้ า, เาแต่น้ําอย่างเดียวจะไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมาเนี <c oughs> อัถบริขารเนี่ยบริขารแปะเน 8. เวลาที่ใคร ไปบวชกันนี่ก็ต้องไปหาอัฏฐบริขารกันถึงจะบวชได้พระพระพุทธเจ้าให้พระมีสมบัติแค่แปดชิ้นนี่เท่านี้พอแล้วถ้าใจสงบแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ใส่เสื้อผ้าอย่างไรใส่ผ้าถูกผ้าแพงก็เหมือนกัน<ม>ร่างกายก็เป็นศพอยู่แล้วไม่ใช่เหรอศพมาจากไหนนะศพก็มาจากร่างกายที่ไม่หายใจไม่ใช่ มาจากร่างกายที่หายใจพอไม่หายใจก็เป็นศพตอนนี้เราก็เป็นศพที่หายใจได้เท่า น, นั้นเองเดี๋ยวพอเราไม่หายใจเราก็เป็นศพเสื้อผ้าที่เราใส่มันก็เป็นเสื้อผ้าห่อศพดีๆนี่แล้วทำไมต้องไปเสียเงินซื้อผ้าแพรผ้าไหมผ้าสิน้นผ้าอะไรมามาหอมันก็ไปเอาผ้าหอ่อศพมาห่อก็เหมือนกัน คือความมากน้อยของคนที่มีความอิ่มความพอแล้วไม่ต้องการมีมากมีก็พลุงพลังมีมากก็เป็นภาระต้องคอยดูแลรักษากลายเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์ไปยิ่งมีทรัพย์มากก็ต้องเฝ้าต้องคอยเฝ้าทรัพย์ไปไหนไม่ได้ห่วงทรัพย์กวงสมบัติ ความห่วงนี้ก็ไม่ใช่เป็นความสุขความสุขต้องไม่ห่วงถ้าห่วงนี่มันเป็นความทุกข์ถ้ามีมากก็ต้องห่วงมากก็ทุกข์มากถ้ามีน้อยก็ห่วงน้อยก็ทุกข์น้อยมากน้อยหรือสันโดษสันโดษแปลว่ายินดีตามมีตามเกิดมีเท่าไหร่ก็ให้ยินดีกับมันพอใจกับมัน ได้เงินเดือนเดือนละเก้าพันก็พอใจกับมันเขาลนเหลือแปดพันก็พอใจกับมันก็คิดว่าดีกว่าข้อไล่ออกก็แล้วกันไล่ออกก็ได้ศูนย์แต่เขาบอกว่าบริษัทจะเจ๊งแล้วถ้าไม่ลดเงินเดือนทุกคนยอมลดสิบเอร์ซนตบริษัทยอยู่ได้ถ้าทุกคนไม่ยอมลดบริษัทต้องปิดจะเอาไงจะลดสิอร์หรือจะลดร้อยเปอร์เนต ถ้ายินดีตามมีตามเกิดแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเราใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นจริงๆแปดพันก็พอใช้ถ้าวันละมื้อจะกี่ต่างกันมื้อละห้าสิบบาทเดืนละพันห้าถ้ากินวันวันละมือ้อมื้อละห้าสิบบาทพันห้าเงินเดือนขั้นต่ำสามร้อยก็เรียงเหลือสอง้อยห้าสิบ ถ้าเรามักน้อยใช้กับของที่จำเป็นเท่านั้นเสื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อแล้วตอนนี้มีพอกันใส่กันทุกคนรับดองได้ไม่มีใครขาดเสื้อผ้ากันนีแต่มากเกินไปมากกว่ารองเท้าก็คู่เดียวก็พอมีเท้าอยู่คู่หนึ่งทำไมต้องมีรองเท้ากี่คู่กันเวลาใส่ก็ใส่ได้ทีละคู่มีสิบคู่ก็วางไว้เฉยๆเนี นี่คือวิธีปรับใจของเราทำใจเราให้สงบเถิดแล้วเราจะได้ไม่ต้องมีอะไรมากเมื่อเราไม่มีมากเราก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยกับการหามันมาไม่ต้องเหนื่อยกับการดูแลรักษาไม่ต้องเหนื่อยกับการสูญเสียเวลาสูญเสียก็เสียอกเสียใจ นี่คือความจริงที่พวกเราไม่รู้กันพวกเราถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าเราต้องมีมากๆมีแล้วจะมีความสุขกันยิ่งมีมากยิ่งมีความสุขมากยิ่งมีของแพงยิงย่งยิง่งยิ่งสุขมากใหญ่ของแพงของถูกมันก็เหมือนกันแหละมันทาหน้าที่เหมือนกันเสื้อผ้าชุดละพันกับเสื้อผ้าชุดละหมื่นมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกัน มันก็ปกติร่างกายรักษาร่างกายได้เหมือนกันอาหารมื้อละห้าร้อยอาหารมื้อละห้าสิบมันก็กินแล้วก็อิ่มเหมือนกันนี่คือความหนงมันทุกมันจะหลอกให้เราคิดว่าต้องมีมากๆต้องมีของแพงๆแล้วจะมีความสุขมากยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มาก เวลามันหายไปเนี่ยทุกมากเวลามีของน้อยของถูกขายไปก็ทุกน้อยเราไม่ดูเรื่องความสุขความทุกข์กันเราไปดูเรื่องของกันว่าของมากของดีของแพงเราจะมีความสุขกันสุขก็สุขเดียวเดียวแล้วก็ไม่คิดถึงความทุกข์ เวลาที่จะต้องหาเงินมาซื้อของเหล่านี้ต้องทํางานทําการแล้วก็ต้องวุ่นวายกับงานการต้องกังวลกับงานการไม่รู้ว่าจะทาได้นานสักเท่าไหร่วันดีคืนดีก็อาจจะขอให้เราออกไปก็ได้ในบริษัทขาดทุนต้องเกิดกิจการ เราไม่คิดกันเราคิดว่าเราจะมีแต่ได้อย่างเดียวต้องการอะไรเราก็จะได้เรื่อยๆแต่พอไปเจอวันที่ไม่ได้วันนั้นเป็นวันที่มหาทุกข์มหาโศกเั้นพยายามปรับเน้นพยายามใช้ให้น้อยแล้วเงินที่เราหาจะเราจะได้มีเก็บไว้สำรองได้ เผื่อถ้าวันไหนตกงานเราก็ยังจะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีเงินสำรองแล้วเราก็ไม่ใช้มากเราใช้จับของจำเป็นจริงๆเท่านั้นของจำเป็นก็มีอาหารวันละมื้อสองมื้อก็อยู่ได้แล้วแล้วก็น้ำดื่มน้ำดื่มเอาน้ำประปามาต้มก็ได้ถ้าไม่มีไปเงินซื้อน้ำขวด นี่คือมาปรับใจกันให้มักน้อยให้สันโดษให้สงบแล้วเราจะมีความสุขถ้าเรามีความสงบแบบพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องมีอะไรเลยแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ร่างกายไปหาความสุขเหมือนพวกเราเลยพระพุทธเจ้ามีแต่นั่งนะนั่งสมาธิถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินจงกงม มีอยู่สองท่าเนี่ยวันวันหนึ่งไม่นั่งก็เดินนั่งก็สอนบางทีก็นั่งสั่งสอนคนนั้นคนนี้วันหนึ่งก็สอนวัละสามรอบสี่รอบตอนบ่ายสอนญาบโยมตอนค่ำสอนพระภิกษุสา ม, มเณรตอนดึกสอนเทวดาตอนเช้าออกบิณฑบาตก็เดิน พระมุทเจ้าทาแค่นี้หลังจากที่ตัดสรุแล้วหลังจากที่ปรับใจให้อิ่มให้พอแล้วไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปเที่ยวไปเล่นไม่ต้องไปทำอะไรต่างๆอย่างที่พวกเราทำกันอยู่เนี่ยเพราะท่านเคยทํามาแล้วท่านรู้ว่าทําแล้วมันไม่อิ่มไม่พอทําแล้วกลับให้หิวให้อยากแล้วพอไม่ได้ทาก็ทุกข์ พออยากไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวนี่ต้องอยู่บ้านก็เศร้าสร้สสอยงหงอยเหงาเบื่อนาย <S <S 1> <S 1> โวรานเขาบอกว่าเวลาไปนี่เหมือนไก่เบนเวลาออกไปเที่ยวนี่เหมือนไก่เบนเวลากลับบ้านเหมือนหากินคอตกพอภาพกลับบ้านเหมืนอบบ น, น, มนถูกจับเข้ากรงกลับบ้านก็เหมือนกลับถูกจับเข้ากรง ถ้ามีความอยากแล้วมันจะอยู่ไม่ติดบ้านอยู่ไม่เป็นสุขมันต้องไปทาตามความอยากแล้วทาทำมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออิ่มเดียวเดียวสนุกเดียวเดียวเดี๋ยวก็หายอิ่มหายสนุกแล้วพอหายอิ่มหายสนุกก็ต้องหามันใหม่หาความอิ่มหาความสนุกใหม่จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นกันชีวิตของพวกเราก็มีแค่นี้ ไปทำงานหาเงินกันพอมีเงินก็ไปกินไปเที่ยวไปใช้เงินกันเองเงินเงินมก็ไปหาใหม่ก็หากันไปใช้กันไปถ้าสะดุดหาไม่ได้ก็ทุ ก, กันเดือดร้อนกันเวลาเศรษฐกิจตกต่เนี่ทุกคนนอนกายหน้าผากกันหาเงินที่ไหนวะหาเงินที่ไหนเงินไม่พอใช้ทำไมไม่ลดการใช้จ่ายลงหรอใช่ไม ลดค่าใช้จ่ายลงไปสิเมื่อไม่มีรายได้ก็ลดลดค่าใช้จ่ายใช้กับสิ่งที่จําเป็นใช้กับสิ่งที่ไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลร่างกายส่วนอย่างอื่นก็อย่าไปทํามันมากอาจมานั่งสมาธิกันนั่งสมาธิได้ น, นี่ประหยัดเงินไปเยอะเลยสมมติว่าท่านทุกครั้งที่เราออกจากบ้านนี้ต้องใช้ไปวันละพันครั้งละพันเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านได้ก็ประหยัดไปพันเองล่ะ เงินที่เราประหยัดนี้ก็เป็นเหมือนกับเงินที่เราหามาได้ใหม่ไม่ต้องไปหาพันหนึ่งเพราะเราเราประหยัดเงินไปพันหนึ่งก็เหมือนเราได้รายได้ขึ้นมาพันหนึ่งนะ่ะทุกครั้งที่อยากจะออกไปเที่ยวไปทำอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องไปก็อยู่บ้านนั่งสมาธิไปดีกว่าแล้ เ, เดี๋ยวก็ได้เงินมาละพันหนึ่งเงินที่จะต้องเสียไปก็ไม่เสียแล้ว ถ้าไปก็กลับมาก็หายหมดไปพัน์นึ่งละถ้าออกไปทุกวันก็คิดดูเดินก็ละกี่ตังค์ละเดินก็สามหมื่นก็ต้องไปหางานหาเงินมาทำมาใช้ได้มาใช้ไปก็หมดไปแต่ใจก็เหมือนเดิมยังหิวเหมือนเดิมยังอยากเหมือนเดิมยังไม่มีความพอเหมือนเดิม เพราะนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทําให้ใจเราพอทาให้ใจเราสบายวิธีที่จะทําให้ใจเราพอให้สบายต้องมานั่งเฉยๆกันนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธกันทําไมต้องพุโทโธเพราะถ้าเราไม่พุโทโธเดี๋ยวเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะทําให้เราอยากอยากไปทํากันคิดถึงข้าวของที่มีอยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็อยากได้ เดี๋ยวก็ต้องออกนอกบ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงอะไรก็อยากจะไปเจอกันคิดถึงร้านอาหารคิดถึงนงภาพยนตร์เดี๋ยวก็อยากจะไปกันคิดถึงถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปกันก็อยู่ติดบ้านไม่ได้อยู่บ้านก็เหงาว้าเหวแต่ถ้าเรานั่งอ ย, อยู่บ้านแล้วเราพุทโธพุทโธได้ควบคุมความคิดได้ความอยากมันจะไม่เกิด ความอยากจะไปนน่นอยากจะไปหาคนนั้นคนนี้อยากจะไปกินไปดื่มที่นั่นที่นี่มันจะไม่มีมันก็อยู่บ้านได้มีความสุขอยู่เฉยๆได้นั่งเวลา น, นั่งต้องมีอะไรกํากับใจทานั่งแล้วปล่อยให้ใจคิดเดี๋ยวนั่งไม่ได้อึดอัดขึ้นมาแล้วก็ถ้าไม่ควบคุมความคิดเดินก็อึดอดัดยืนก็อุดอดัดถ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทาอะไร ไม่ว่าจะอยู่ในเอเดียบทไหนจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็ไม่สบายเพราะใจมันอยากจะออกไปนอกบ้านพอแต่งตัวได้ออกไปนอกบ้านนี้ความอึดอัดหายไปเลยนะนว่าเหมือนไก่บินนะไปเลยไก่บินไปเลยป่าไปาไปสนุกสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอกลับมาบ้านก็คอภาพกลับมา พยายามหัดอยู่เฉยๆให้ได้เถอะแล้วเราจะตัดปัญหาต่างๆไปได้หมดเลยปัญหาต่างๆเกิดจากการที่เราอยู่ไม่เป็นสุขกันอยู่ไม่เป็นไม่รู้จักปรับใจให้มันสงบให้มันมีความสุขเราชอบไปปรับให้มันทุกข์กันปรับด้วยความอยากพออยากครอบเนื้ใจจะกะวนกวยกระสาบกระสายแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้ว ต้องไปทำในสิ่งที่อยากทําทันทีต้องไปเดิ่ไปรับประทานไปดูไปฟังอะไรในสิ่งที่อยากจะทําทันที <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ก็อยู่เฉยๆได้ <Yeah. S 1> อย่างตอนนี้เราอยู่เฉยๆได้เพราะตอนนี้ไม่มีความคิดความอยากกับเรื่องอะไรตอนนี้อยู่กับความอยู่กับเสียงธรรมะคิดเปยกับเสียงธรรมอะ ธรรมะก็ก่อมให้เราหยุดอยากกันสอนให้เราเห็นโทษของความอยากกันว่าอยากไปอยากอยากแล้วมันจะท่องทุกข์มันต้องดิ้นลนใจมันจะดิ้นมันไม่อยู่เฉยความอยากนี่เป็นเหมือนกับเข็มที่ไปทิ่มใจพอมีอะไรไปทิ่มใจใจก็ดิ้นต้องดิ้นถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ใจก็จะนิ่งจะเฉย จะสงบจะสบายเราต้องมาหยุดใจให้ได้หยุดความคิดหยุดความอยากด้วยคำใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปถ้าไม่ใช้พุทธโธก็ต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นที่ผูกใจมัดใจเอาไว้ไม่ให้ไปคิดอะไรสิ่งที่มีใกล้ตัวเราที่สุดก็คือร่างกายของเราใช้ร่างกายเรานี้มัดใจไว้ก็ได้ มัดใจให้ยิบให้อยู่กับร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้ใจทำไปกับร่างกายเช่นกำลังรับประทานอาหารก็ให้ใจอยู่กับการรับประทานอาหารอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นส่วนใหญ่เรามักจะไม่อยู่กับร่างกายกันใจมันชอบท่องเที่ยวชอบคิดไปรอบโลกเลยนั่งอยู่ตรงนี้แต่ใจไปถึงเมืองนอกแล้วก็ได้ คิดถึงญี่ปุ่นคิดถึงเกาหลีบางคนกำลังเตรียมตัวจะไปเกาหลีไปญี่ปุ่นตอนนี้ใจไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วใจมันไปอยู่ที่เกาหลีแล้วแลวพอไปถึงเกาหลีใจมันก็กลับมาที่เมืองไทยแล้วอยากจะกลับบ้านอีกนะใจมันหลอกเราไปเรื่อยๆมันไม่ยอมอยู่กับที่เราต้องดึงมันไว้ให้อยู่กับที่ให้ได้ให้อยู่กับพุโทโธก็ได้ให้มันอยู่กับร่างกายก็ได้ เฝ้าดูร่างกายทุกขณะตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรก็ทำกับร่างกายไปร่างกายเดินใจก็เดินไปกับมันร่างกายยืนใจก็ยืนไปกับมันร่างกายอาบน้ำก็อาบไปกับมันให้อยู่กับร่างกายไปแล้วมันจะไปคิดถึงที่นั้นที่นี่ไม่ได้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถ้าไปคิดก็แสดงว่ามันไม่อยู่กับร่างกายแล้วก็ดึงมันกลับมาเช่นถ้าเราเตาะ เราตั้งใจว่าต่อไปนี้จะผูกใจให้เราอยู่กับร่างกายพอเราไปคิดถึงนู่นที่คิดถึงนั่นก็แสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วเราเผลอแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทำอะไรแล้วนั่นเราต้องคอยดึงใจให้อยู่กับร่างกายอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะไม่ไปอยากกับสิ่งต่างๆถ้าปล่อยให้ใจไปที่อื่นเดี๋ยวมันก็อยากไปนูน่น ไ, ไปนู่นมานี่ขึ้นมา คิดถึงคนนั่นคนนี้ก็อยากจะไปเจอละคิดถึงสิ่งนั่นสิ่งนี้ก็อยากจะได้ขึ้นมานะแต่ถ้าอยู่กับร่างกายมันก็จะไม่อยากอะไรมันก็อยากกับแค่ร่างกายอยากอยากให้ร่างกายอาบน้ำอาทาก็อาบให้มันอยากจะกินข้าวก็กินให้มันก็เท่านั้นเองแล้วเวลานั่งเฉยๆนั่งหลับตาก็ให้ดูลมหายใจฝาก ผูกใจไว้กับลมหายใจให้อยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าก็หายใจเข้ากับลมลมหายใจออกก็หายใจออกไปกับลมอย่าไปที่อื่นอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้รับลองได้เดี๋ยวใจเราจะนิ่งใจเราจะสงบพอสงบแล้วไม่ต้องทำอะไรใจจะพอใจจะสุขขึ้นมาทันทีใจจะไม่ทำอะไรใจจะหยุดหยุดคิดหยุดอยาก แล้วจะมีความสุขอย่างยิ่งใหม่ๆก็หยุดได้เดียวๆก็ต้องทำบ่อยๆพอหายพอนั่งสักพักเมื่อยก็ลุกงเข้ามาเดินแล้วก็รักษาใจให้อยู่กับร่างกายต่อไปร่างกายเดินก็เดินไปกับร่างกายเดินไปเยอะครั้งมันเมื่อยก็กลับมานั่งใหม่พอมานั่งก็มาอยู่กับลมใหม่หายใจเข้าหายใจออกใหม่หรืออยู่กับพุทธโธก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องทั้งสองอย่างก็ได้อยู่กับพุทโธก็ไม่ต้องสนใจกับลมให้พุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าอยู่กับลมก็ไม่ต้องสนใจกับพ <t litres> ุทโธดูลมอย่างเดียวลมเข้าก็เข้ากับลมลมออกก็ออกกับลมให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกให้รู้เฉยๆถ้าเรารู้เฉยๆใจมันก็จะไม่คิดพอไม่คิดมันก็จะไม่อยาก พอมันไม่อยากมันก็จะสงบพอมันสงบแล้วก็มีความสุขพอใจสงบแล้วก็สุขออกมาก็จะอยู่เฉยๆได้เอาอจากสมาธิมาใจก็ยังสงบอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวถ้าเราเผลอถ้าเราไม่ควบคุมใจเดี๋ยวมันไปคิดพอไปคิดมันก็จะอยากขึ้นมาเราก็ต้องดึง ม, มันกลับมาอย่าปล่อยให้มันอยากดึงให้มันกลับมาอยู่กับร่างกายกลับมาอยู่กับพุทธโธ ทำอย่างนี้ไปทั้งวันรับรองได้ว่าจะมีความสุขจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองเมื่อไ ม, ม่ไม่เสียเงินเสียทองก็จะมีเงินเก็บไว้เยอะแยะต่อไปก็อาจจะเลิกทำงานได้ถ้าเราไม่ใช้เงินมากเรามีเงินพอใช้กับการเลี้ยงปากเลี้ยงทองเราก็อยู่บ้านหาความสุขจากการเดินกับการนั่งทำใจให้สงบดีกว่า พอใจสงบแล้วใจปล่อยทุกอย่างได้หมดแม้แต่ร่างกายนี้ก็ปล่อยได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจะไม่เดือดร้อนาะไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วใจมีความสุขในตัวของตัวเองเลยไม่ต้องไปพึ่งร่างกายตอนนี้พวกเรายัางไม่มีความสุขในตัวเราเราเลยต้องไปพึ่งร่างกาย ไห้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆกันแต่เราต่อไปสักวันข้างหน้าร่างกายเรามันก็จะมีปัญหาได้เดี๋ยวมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้เดี๋ยวมันก็อาจจะพิการขึ้นมาก็ได้ตอนนั้นอ่ะมันจะทําให้เราเดือดร้อนเพราะเรายังไม่สามารถหาความสุขได้เพราะเครื่องมือหาความสุขขอร่างกายมันไม่สามารถทําหน้าที่ของมันได้ แต่ถ้าเราหาความสุขในตัวเราได้เราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเราอยู่เฉยเราก็มีความสุขได้ถ้าเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้จะหยุดได้ก็ต้องมีพุทโธหรือผูกมีอะไรผูกใจไว้ให้อยู่กับร่างกายไปตลอดเวลา นี่คือการปรับใจของเราถ้าเราปรับใจให้เรามีความสุขแล้วเราไม่ต้องไปปรับข้างนอกไม่ต้องไปปรับเงินเดือนไม่ต้องไปปรับคนนั้นปรับคนนี้ให้เขาชอบเราไม่ให้เขาเกลียดเราถ้าเรามีความสุขในตัวแล้วเขาจะเกลียดเราก็เรื่องของเขาเขาจะชอบเราก็เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้พึ่งเขาให้ความสุขก <rip> ับเรา แต่ถ้าเราไม่มีความสงบนี่เราต้องพึ่งเขาให้ความสุขกับเราให้เขาชอบเราพอเขาชอบเราเราก็มีความสุขพอเขาเกลียดเราเราก็มีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความสุขในตัวเราแล้วเราไม่ต้องพึ่งความสุขจากคนอื่นไม่ต้องให้เขารักเราชอบเราเขาจะโกรธเราเกลียดเราก็เรื่องของเขาเราก็ยังมีความสุขอยู่เหมือนเดิมความสุขของเรานี่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนได้ คนจะด่าเราคนจะชมเราเราก็ยังสุขอยู่เหมือนเดิมเราจะรวยเราจะจนเราก็ยังสุขอยู่เหมือนเดิมมีจะมีอะไรไม่มีอะไรก็สุขอยู่เหมือนเดิมความสุขอันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งนั้นไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเรากำลังมีกันอยู่ตอนนี้ต้องพึ่งอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้พอไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีคนนั้นคนนี้ก็วุ่นวายกันขึ้นมา เดือดร้อนกันขึ้นมาทุกข์กันขึ้นมานี่คือความหลงกับความรู้เนี่ยพวกเรายังอยู่กับความหลงอยู่พระพุทธเจ้านี้อยู่กับความรู้ความรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจนี่เราต้องหยุดใจให้ได้หยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้ ถ้าไม่มีความคิดความอยากแล้วใจจะสุขหรือถ้าจะคิดก็คิดได้คิดไปในทางไม่อยากอย่าไปคิดในทางอยากคิดมาในทางไม่อยากคิดยังไงก็คิดว่าของที่เราอยากได้นี้ได้มาแล้วมันเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปความสุขที่เราได้จากมันได้มาเดียวเดียวเด๋ยวมันก็หมดไปได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาแล้วก็อยากได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ถ้าคิดอย่างนี้มันก็มันก็จะคิดทําให้เราไม่อยากไม่เอาดีกว่าพอไม่อยากเราต่อไปเราก็จะไม่ต้องมีมันคนที่ไม่อยากสูบบุหรี่ก<ข>็ไม่ต้องมีบุหรี่สูบแต่คนที่ยังสูบอยากสูบบุหรี่อยู่ก็ต้องมีบุหรี่สูบอยู่เรื่อยๆพอบุหรี่หมดก็ต้องมาหามาใหม่คนที่อยากจะดื่มเหล้าก็เหมือนกันถ้าอยากดื่มเหล้าพอเหล้าหมดก็ต้องไปหาเหล้ามาดื่มต่อถ้าไม่ได้ดื่มก็ทุกข์ แต่คนที่ไม่มีไม่มีความอยากดื่มเหล้าก็ไม่เดือดร้อนมีหรือไม่มีเหล้าก็ไม่เดือดร้อนนี่คือคิดแบบนี้เราจะทำให้เราไม่อยากดื่มไม่อยากสูขไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากมีแฟนไม่อยากมีอะไรทั้งนั้นเพราะของต่างๆที่เราได้มามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่มีใครมารับประกันว่ามันจะให้ความสุขกับเราอยู่กับเราไปตลอด วันดีขึ้นดีมันก็หายไปเฉยๆจากเราไปเฉยๆไม่มีใครคาดฝันแล้วเวลาไปแล้วเป็นยงไงเราก็ทุกข์กันให้คิดแบบนี้แล้วมันจะไม่อยากได้อะไรสู้อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าแม้แต่ร่างกายนี้มันก็ต้องจากเราไปเดี๋ยวมันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าเราไม่มีความอยาก ใช้มันเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเรามีความสุขในใจเราแล้ ว, ลวเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆมาให้กับเรางั้นขอให้พวกเรามาหัดหยุดความคิดหยุดความอยากกันโดยการไปหาที่สงบเพราะว่าถ้าไปอยู่ที่มีคนมีเรื่องราวมันจะรบกวนใจมันจะทำให้เราหยุดความคิดหยุดความอยากไม่ได้ต้องไปอยู่ที่เงียบๆอย่างนี้อยู่คนเดียว แล้วก็คอยพุโทโธพุโทโธไปหรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าส่งใจไปที่นั่นที่นี่อย่าไปคิดถึงคนนั่นคนนี้แล้วเวลานั่งก็ดูลมหายใจไปหรือพุโทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบแล้วก็จะมีความสุขพอสงบแล้วก็ไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลมใจจะไม่ไปไหนแล้วไม่คิดอะไรใจอิ่มละ แต่พ อ, อ, อจากการนั่งพอมันเริ่มคิดเริ่มหิวก็ต้องหยุดมันละใช้พุทโธหยุดมันใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายหยุดมันไปแล้วก็พอหายเมื่อย ก, ก็กลับไปนั่งใหม่นั่งให้มันสงบใหม่ทําอย่างนี้ไปสลับกันไปเดินกับนั่งนั่งกับเดินไปอย่างนี้รับรองได้ว่าความสุขจะมีมากขึ้นความสงบจะมีมากขึ้นเพราะเราจะมีความชํานาญมากขึ้น เราจะรู้จักวิธีหยุดความอยากหยุดความคิดได้ได้มากขึ้นแล้วต่อไปเราสามารถหยุดมันได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปนั่งสมาธิก็ได้หยุดความอยากความคิดได้ในทุกิเลยาบเพรพอไม่มีความอยากแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขขอให้ลองไปทำกันดูถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ ถ้าไม่มาฟังก็ไม่รู้ว่าทำอย่างไรตอนนี้รู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรลองไปทำดูไปหยุดความคิดหยุดความอยากกันแล้วจะมีความสุขตอนนี้ตอนนี้ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ใช้เหตุผลมาสู้กับมันถามมันว่าจำเป็นไหมสิ่งที่อยากได้นี้ไม่มีจะตายไหมถ้าไม่ตายก็อยากไปมีมันแต่มันก็จะเถียงว่าไม่มีแล้วจะทุกข์อยากไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวแล้วมันทุกข์ ก็บอกถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็มานั่งสมาธิแทนสิมาพุทโธพุทโธแทนพอไปเที่ยวไม่ว่าจะไปเที่ยวกี่ครั้งมันก็จะไม่หายทุกข์พอกลับมาบ้านมันก็ทุกข์เหมือนเดิมถ้าอยากจะให้มันหายทุกข์ต้องไม่ไปเที่ยวต้องนั่งสมาธิกันต้องทำใจให้สงบกันเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาเววหาปุราภะเวปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิต an ังปทติตังตุมห um ังคิดเป้เมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาระโสยะถามณีโชติ อระโสยะาสัพพิตโยเววัจจันสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมาวทาติอายุวันโอสุขัง พล า, า, ายังไรมงอะไรอยากถามไหมทำอะไรอยู่ที่ไหนเป็นบุกเกอร์ครับบุกเกอร์ที่กรุงเทพเหรอช่วง น, นี้หุ้นกาลังเดือดไม่ใช่ไหมขึ้นไม่เคยขึ้นมาเท็งขนาดนี้เลยยี่สิบกว่าปีอยู่แค่พันกว่าพันกว่าพันเจ็พันแปดเ สูงสุดเหรอที่พันแปดเนี่ยยังไม่ถึงครับที่เคยขึ้นถึงสูงสุดเท่าไหร่จำได้ไหยจําจไม่ถิ่น่าจะสอง เ, เกือบเกือบแตกสองเกือบสองเลยนะแล้วกตอนเมื่อประมาณสักหลายหลายปีก่อนมันลงแล้วมันก็ลงฟองสบู่แตกมันก็ลง<ช> ไ, ปไปเลยแล้วไม่เคยขึ้นมาเล ย, เ ค, ย, เลยคุณที่อื่นเขขึ้นเป็นหมื่นนะเมืองไทยยังแค่ยังไม่ยังไม่ยังแค่พันกว่านะออทํำมาไม่ขึ้นเพราะว่า มันก็มันก็นิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยไทยมันก็แบบไทยๆนะผมว่ามาเต็นเพราะว่าขนาดเสฐกิจของเรามันเล็กนะมันไม่ขยายตัวก็เลยอยู่ตัวแก้ไขกว่าทำให้กับบริษัทแล้วทำส่วนตัวทำเองทำเองเพราะี่เขาเป็นบล็อกเกอร์ บล็อกเกอร์ไม่บล็อกเกอร์บล็อกเกอร์เป็นเป็นอินนเซอร์อ่บล็อกเ้าของเพจอ่าบลอกเขียนบล็อกเกอร์แล้วเขียนบลอกเกอรกันเรื่องอะไรก็หนังครับหนังเลยอ๋อต้องดูหนังเป็นอาชีพเลยครับอ๋อแล้วเกก็ไม่อยากไอยากหาเวลามาสึกสาวบ้าไม่เอาบล็อกกอร์ทำมาสักงก็ถ้าสมมติสักวันนึงเนี่ยก็อาจจะต้องาำ หนังเรื่องนี้ดูสอชั่วโมงไม่เคยดูดี่อยากมาศึกษาบ้านเพราะว่าเรากเราเราเหมือนโดนมันทำว่าจะต้องดูหนังจบเกืบจะทุกวันทุกวันหนังไทยแล้วหนังทุกทประเทศเนยหนังต่างประเทศหนังทั้งที่สมมติที่เป็นคอนเทนต์ทังโลกเนี่ยแหละที่คนสนใจนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีก็มีหนังอีกก็มีครับ ดูแล้วก็เหมืนวิาพากษ์วิจารให้คนที่ไม่ได้ดูได้รู้แต่ก็อยากจะดูก็จะได้เลือกดูได้ใช่ครับอมีมีให้ดาวเขาด้วยเป่ะให้ดาวด้วย <laughs> <laughs> แล้วเราได้ประโยชน์ได้จากทำเ น, นเนี่ยมีงานงามเนี้ยแหละอ่าก็มีก็ก็จะมีว่ามีโฆษณามีโฆษณาแต่ว่าไม่ไม่ใช่โฆษณาละ มันมีคนเข้ามาเยอะก็จะมีคนก็มาขอแปะโฆษณาไว้ไม่ไม่เขาจะมาจ้างให้เราลงโฆษณาให้เขาเราก็แปะเองอแปะเองทาเพจให้เขานี่เลยไม่ต้องนะโฆษณาเขาเอาไปแชร์เราก็เ็นเาจะมีคนติดตามเยอะเขานะดูจานวนของคนที่มาดูใช่ก็ยังว่าเดี๋ยววันไหนจะเอา หลายสองท่านไปแปะในเพจมันคนละทางเลยก็ก็เผื่อเติมต้ำอะไรอย่เยเือไปแปะไม่มีคนเข้าเพจเชื่ออะไรครับเพจชื่ออะไรเพจชื่อโอ้ยใชโอ้้เคคนจะได้เข้าดู เอาทั้งทางลงทั้งทางทำนะก็สักถ้าสมมติมีคนฝั่งสักห้าคนสิบคนก็ถือว่าดีแล้วอ่มีคนมาเพิ่มะดีบบล็อกนี่เราต้องไปไปไปเช่าที่หรือเปล่าหรือว่าเราก็เหมือนเพจของท่านเนี่ยนมันเนเพจในเฟอ๋อใช่ใช้เฟซบุ o กเป็นเป็นบล็อกเนีเป็นไม่ต้องไปทำไม่เพจเองเลยมีคนไม่ค่อยเข้าบล็อกแล้วเข้าเฟซแล้วเราก็ใช้เฟซนี่แทน เป็นเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับเออแล้วเขาก็อาศัยก็อาศัยมีจักรปรบวยคนเยอะเขาไปจะได้มีขายโฆษณาได้เราก็าขายโฆษณาเขาก็ขายได้ด้วยเราก็ขายเท่าไหร อ, อจำนวนคนเขาใช้มากเท่าไหร่คนก็ะจะรู้จักใช่ครับคือก็คือถ้ามีปรบวยเยอะก็จะได้เลนในการขายโฆษณาจะเยอะใช่ครับ แล้วเ็มีเฟซบุ๊กเขามีอะไรให้เราไหมถ้าเกิดมีคนเข้ามามากๆไม่มีไม่มีเขาไม่มี ม, ม, มีแต่จะมาเสนอขายโฆษณาให้เราไปโฆษกับเขาอ๋าอในยุคนี้มันทางโทรศัพท์ล้ร้านเกมแถวบกก้านเราเปิดแล้ว น, น, นี่ปิดหมดแล้ว <c oughs> เห็นมีร้านหนึ่งกำลังรลือยอยู่เนี่ยเ <c oughs> มื่อห้าปีก่อนนี่เกมดังเด็กเล่นเกมกันตลอดเวลา เล่นถึงเช้ามืดเลยภาพไปบินนาบ่ายยังนั่งเล่นกันอยู่อย่างนี้ร้านเกมนกปิดแล้วอันนี้เล่นในมือถือได้เออเล่นออนไลน์อย่างนี้ความเร็วสูงอินเทอร์เน็ตก็ความเร็วสูงด้วยอยู่ที่ไหนก็เล่นได้อทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ้าแต่สมัยที่เราหัดเล่นคอมใหม่ๆนี้ยังใช้แผ่นไอ้ฟลอปปี้ดิสอยู่เลยเครื่องก็แค่อิน e ทลอะไรเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วซีแปดหกสองสองแปดปดศนย์อแปดแต่นี้มือถือมันมือถือละมสมัยนี้มันเร็วกว่าเครื่องคอมสมัยก่อนมันใช้คล่องตัวกว่าใช้ทำงานได้มากกว่าเครื่องนิดเดียว มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะต่อไปจะไม่ต้องมือมืถืออาจจะมีแว่นใส่มันก็สั่งสั่งให้มันโทรให้เราเราได้นะมีสายแว่นแว่นเป็นโทรศัพท์ไปมีหูฟังมีอะไรใช้คำสั่งว่าอ้าโทรเบอร์นี้โทรเบอร์นั้นโทรให้ทันทีเลยต่อไปทุกอย่างมันทำให้เล็กลงเล็กลงได้นะ เอาแลว้วอันนี้เอาทางธรรมะต่อ<笑><笑>มีมีคำถามทางบ้านไหมมีครับอาจารย์ต่างชาติมีไหมไม่มีครับคำถามคำถามแรกจากทาง Facebook นะครับจากูลณศิริวัล น, นะครับการนำปัใจจัยใส่ในบาทไม่ทราบว่าผิดหรือเปล่าครับหากผิดต้องทำอย่างไรหากต้องการถวายปัจจัย ถวายพระในขณะที่ท่านเดินบินสบายมันก็ต้องมีลูกศิษย์ต้องดูว่าพระท่านในลูกศิษย์ตามมาป่ะถ้ามีก็ฝากลูกศิษย์ไว้แล้วก็บอกพระให้ทราบว่าได้ถวายเงินฝากไว้เดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวบางทีลูกศิษย์มันทําเงียบไปก็มี <c oughs> แต่ก็ถวายใบยปภาวนาได้เงี้ยเราเขียนใบแล้วก็ถวายท่านได้เป็นใบบอกมันเช็คอะ่ะ บอว่าวันนี้ได้ถวายเงินท่านแค่นี้เนี่ยฝากไว้กับลูกศิษย์คนนี้ทำนี้แล้วเดี๋ยวก็จะได้ไปกลับว้าก็จะได้ไปไปทวงจากลูกศิษย์ได้ว่าเมื่อเวลาจะต้องการใช้อะไรก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อไปจัดการให้ยั้นถ้าอยากจะถวายกับมือก็ถวายใบปรานาเขียเอากระดาษก็ได้เขียนกระดาษว่าขอทอข้าพเจ้าขอถวายเงินปัจจัยให้แก่ท่านไม่ใช้สอยจํานวน กี่ร้อยก็ว่าไปได้ฝากไว้กับลูกศิษย์ของท่านแล้วท่านจะได้รับทราบเดี๋ยวบางทีไม่บอกบางทีไม่รู้ฝากกับลูกศิษย์ลูกศิษย์มันก็ทําเป็นลืมไปก็มีอก็จึงต้องมีการถวายใบยปรวาณาก็เรียกว่าใบาปรวาณาใบาแจ้งให้ทราบว่าได้ถวายเงินฝากไว้กับลูกศิษย์แล้วแต่สมัยนี้พระท่านมีสองสองสายไงสายที่รับเงินได้ก็มี ถ้าไปเจอที่สายที่รับเงินทํานอกไม่ต้องเขียนมาหรอกเอาเงินมาเลย <c oughs> สายที่รับเงินกับมือไม่ได้ก็ต้องให้เอาใบ ป, ปรานาแทนมีสมัยนี้มีอยู่สองสายสายที่รับเงินกับมือได้กับสายที่รับเงินกับมือไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ก็ก็ถามท่านว่าท่านถวายเงินได้ไหมถ้าท่านบอกได้ก็ถวายไปถ้าท่านบอกไม่ได้ก็ไม่ต้องถวายแล้วฝัง ถามันมีลูกศิษย์ไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องถวายท่านบินธบาต ท, ท่านไม่ได้มาหาเงินท่านหาอาหารอยากจะถวายเงินรอเวลาไปวัดก็ได้เวลาที่เราไปทําบุญหรือนะนี่คือวิธีถวายโยไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าพระท่านไม่สามารถรักษาศีลของท่านให้บริสุทธิ์ได้ถ้าท่านไปแตะต้องเงินทองไปจับเงินทอง ไปเก็บเงินทองไว้ใช้เองต้องเงินทองนี่ต้องฝากให้ลูกศิษย์เขาดูแลรักษาเพื่อความปลอดภัยของพระเองอ่ะถ้าไม่มีเงินทองก็จะไม่มีขโมยมาจิบมาป้นมาจี้พเพราะก็รู้ว่าพระไม่ไ ม, ไม่ไม่พกเงินพกทองเงินทองอยู่ที่ลูกศิษย์เนี่ยถ้าต้องการอะไรก็ให้ลูกศิษย์เป็นคนช่วยจัดการให้อาจารย์ครับมีผู้มีคุณ ส, สมัชยชายาแจ้งมาว่าวันพรุ่งนี้วันที่สิบวันไม่ใช่พรุ่งนี้วันที่สิบเก้านะครับวันพฤหัสจะพาเด็กๆและครูจากมู ล, ลนิธิต่อต้านการค้ามนุษย์ประมาณสามสิแปดคนจากพัทยามากราบและฟังธรรมพาจารย์ในวันที่สิบเก้านี้นะครับก็เชิญได้เนี่ยมาตั้งแต่บ่ายสองโมงสองมงถึงสี่โมงคำถามต่อไปจากคุณสุชาวด์นะครับเมื่อเช้าตักบาทพระธุดงเสร็จ พระท่านขอปัจจัยเดินทางทำเช่นนี้ได้ไหมครไม่ได้หรอกการขออะไรจากใครนี้ต้องเ ข, เ, ขเขาเขาเาเสนอตัวก่อนคือปาวราดาตัวก่อนพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระขอขออะไรจากคนที่ไม่ได้เป็นญาติหรือไม่ได้ปาวานาตัวเช่นคนที่เจอกันไม่รู้จักกันแล้วก็ใส่บาตรเสร็จก็ของเงินเขานี้ขอไม่ได้ แต่บอกบุญได้บอกว่าอาตมาเดินทางขาดปัดจจัยนี้พูดได้อยู่แต่ขอโดยตรงไม่ได้บอกบอกขอห้าร้อยเพื่อขึ้นไปจ่ายค่ารถนี้ขอไม่ได้นี่เป็นขอทานไปแต่ถ้าจำเป็นจริงๆต้องมีเงินค่ารถก็พูดบอกเล่าให้ฟังได้บอกว่าอาตมาอยากจะเดินทางไปที่นี่แต่ขาดค่ารถเนี่ยก็บอกได้แค่นั้นส่วนโยมฟังแล้วโยมจะมีศรัทธาก็ถวายไป ถ้าไม่มีศรัท ธ, ธาก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ถูกขอใช่ไหอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการขอเป็นการบอกบุญขอต้องบอกต้องขอโดยตรงข อ, ขอนน่นขอนี่แต่ถ้าเป็นภาคที่สถมถะมากน้อยท่านก็จะไม่บอกบุญท่านก็รอให้โยมถามก่อนว่าท่านปรารถนาอะไรท่านต้องการอะไรหรือเปล่าบางทีอย่างั้นท่านก็จะบอก จากคุณอ้อ น, นะครับเวลานั่งสมาธิไปสักพักร่างกายจะหายใจเอาลมก้อนใหญ่เข้าคล้ายๆกับการถอนหายใจหลังจากเกิดอาการนี้บางทีสมาธิจะลึกลงอีกบางครั้งก็ถอนขึ้นมาไม่ทราบว่าเกิดอาการนี้ผิดหรือถูกหรือไม่หรือลูกควรจะควบคุมด้วยสติไม่ให้เกิดอาการนี้คือลมนี่เราไม่ควรไปควบคุมมันเลยเราบีหน้าที่ดูมันเฉยๆเท่านั้น มันเป็นเหมือนกับเหมือนกับเสาผูกใจเราไว้ไม่ให้ใจเราลอยไปที่อื่นเท่านั้นเองแต่เราไม่ควรไปควบคุมบังคับให้มันหายใจลึกหายใจยาวหายใจสั้นถ้าเราไปควบคุมแสดงว่าจิตเราทางานถ้าจิตทำงานจิตก็จะไม่นิ่งไม่สงบแต่ถ้าจิต ด, ดูเฉยๆเนี่ยจิตจะนิ่งจิตจะสงบนั้นอย่าไปควบคุมบังคับมันมันจะ หายใจลึกหายใจไม่ลึกหายใจใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็รู้เฉยๆไปรู้ตามอาการความเป็นจริงของมันรู้เพื่อให้เราไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นีนน่คือเจตนารมของการดูลมดูเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆ <c oughs> แล้วถ้าลมมันจะเป็นยังไงก็รู้เฉยๆไปอย่าไปควบคุมบังคับอย่าไปเปลี่ยนมันมันหยาบก็ปล่อยมันหยา บ, ม, ยาบมันละเอียดก็ปล่อยมันละเอียด มันสั้นมันยาวก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันดูมันไปอย่างเดียวคำถามข้อต่อไปจากคุณเจฟส์นะครับการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีครอบครัวแล้วก็ยังมีการไปเที่ยวกับครอบครัวไปทางข้าวแต่ใจไปก็เพียงเพื่อทําตามหน้าที่ <c oughs> ของครอบครัวเท่านั้นใจไม่สนุกตามคิดแบบนี้ถูกหรือไม่คะเลี่ยงไม่ได้ที่จะตอบปฏิเสธก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ยินดีก็ดีถ้ายินดีนั้นก็จะติดถ้าไม่ยินดีเวลาไม่ได้ไปก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้ายินดีพอไม่เวลาไม่ได้ไปก็จะรู้สึก อ, อ, อยากจะไปขึ้นมาดังนั้นก็ถ้าเราต้องทําตามหน้าที่ก็ทําไปทําไปจนกว่าเราสามารถที่จะปลีกตัวเราออกไปจากครอบครัวได้คำถามจากคุณมนนะครับ ได้ตั้งใจรักษาศีลห้าปฏิบัติได้จริงเพียงสามข้อมาได้สองปีเต็มคือสองสามห้าและฝึกหัดนั่งสมาธิบางครั้งจะสามารถไปถึงคณิกะสมาธิได้ไหมครับหรือต้องรักษาสีลห้าครบศีลแปดสีลสิบถ้ามันรักษาครบมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าใจเราไปทำบาปนี้ใจเราจะวุ่นวาย แล้วมันจะทําให้จิตสงบยากแต่ถ้าเรารักษาศีลได้มากมันก็จะทําให้ใจเราวุ่นวายน้อยเราก็จะทําให้สงบได้ง่ายกว่าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับกําลังของสติแต่ส่วนใหญ่ถ้าคนมีสติก็จะรักษาศีลได้ถ้ามีสติก็จะรักษาศีลห้าศีลแปดได้ก็จะทําใจให้สงบได้คําถามจะคุณคณิษฐานะครับ การที่เราเสียสละโดยลาออกจากงานเพื่อมาดูพ่อซึ่งป่วยหนักแต่เรายังมีภาระที่ต้องทำอันนี้ถือว่าเราทําถูกไหมครับก็ถูกอะ่ะถ้าถ้าไม่มีใครดูแลพ่อแล้วเรามาดูแลพ่อมันก็ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณเป็นความกระตังอยู่กัแต่วเวทีก็ไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหนจากคุณอารยานะครับ เวลาเรากวดน้ำเราไม่ต้องกวดน้ำให้สามภเวสีหรือเจ้าคับคือการอุทิศบุญนี้ไม่ต้องใช้น้ำนะไม่ต้องมีน้ำสิ่งที่เราต้องอุทิศคือน้ำใจคือบุญที่เราได้จากการทำบุญนี้ความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการทำบุญเราอุทิศได้ด้วยการอธิษฐานจิตแล้วนึกไปภายในจิตข้าพเจ้าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว ชื่ออะไรก็ว่าไปพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ถ้าท่านรอรับอยู่ก็ขอให้ท่านรับบุญนี้ไปด้วยเถิดแต่เราไม่รู้ว่าท่านรอรับเราอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่านไปอยู่ในสถานภาพไหนท่านอาจจะไปอยู่ในในสวรรค์ท่านก็ไม่ต้องมารอรับบุญถ้าไปอยู่ในานารกก็ออกมารับไม่ได้ ถ้าเป็นขอทานนะขอทานทางจิตวิญญาณนะถึงจะมารอรับบุญได้พวกขอทานนี้เราเรียกว่าเปรตคําถามข้อต่อไปจากคุณนั อ, อนัทขาชาพรนะครับทุกครั้งที่โยมแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรจากผลลุกทุกครั้งเลยเจ้าคะ่ะนั่งสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างควรปฏิบัติอย่างไรให้จิตรวมเจ้าคะ จิตเรามก็ต้องมีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับพุทโธพุทโธไปไม่คิดอะไรหรืออยู่กับลมหายใจไปไม่คิดอะไรถึงจะรวมได้การแผ่เมตตานี้ความจริงก็ไม่ได้แผ่รเป็นการเป็นการสวดไปเท่านั้นเองเป็นการระลึกไปโดยที่เราไม่รู้ว่ามีใครรอรับอยู่หรือเปล่าการแผ่เมตตาจริงๆต้องแผ่ตอนที่มีคนรับเช่นเรา เห็นขอทานแล้วเราก็ให้เงินเขาเนี่ยเรียกว่าแผ่เมตตาแบ่งเงินให้กับเขาให้ความสุขกับเขาเรียกว่าแผ่เมตตาหรือเวลาใครเขาทําให้เราโกรธเราก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสาธุสาธุถ้าเป็นความสุขของคุณก็ทําไปเราพร้อมเรายินดีที่จะปล่อยให้คุณทําแต่เราจะไม่ถือโทษโกรธคืนคุณอย่างเนี้ถึงนี่เรียกว่าแผ่เมตตาจริงแต่ถ้าเรานั่งอยู่คนเดียวแล้วเรา นึกถึงคนนั้นคนนี้แล้วก็ส่งไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขารับหรือเปล่ามันเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวของเราเองเท่านั้นเองคำถามจะคุณเบนจากุลนะครับได้ลองเอาการภาวนาพุโทโธไปใช้กับคุณพ่อเวลาวัดความดันปรากฏว่าความดันลดลงต้องคอยกล่าวคำว่าพุโทโธให้พ่อกำหนดตามพ่อทำได้ความดังก็ดีขึ้นอนนาแสดงบอกเฉย ได้ถ้าจิตสงบความเครียกก็น้อยลงความดันก็จะลดลงได้คำถามจากแม่ชีเอนะครับขอพระอาจารย์เมตต า, าแนะนำผู้ป่วยอาการหนักในขณะนี้หน่อยครับก็แล้วแต่ว่าเขาอยู่ในสภาพที่รับธรรมะแบบไหนได้ธรรมะก็มีหลายระดับระดับแรกก็คือระดับสติถ้าป่วยหนะัก แล้วทุกทรมานคิดอยู่กับเรื่องความป่วยมันก็จะทรมานใจก็อย่าไปคิดถึงมันให้ท่องท่องบริกรรมพุทโธไปสวดมนต์ไปถ้าใจสงบความทรมานใจเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายไปแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่รุนแรงความเจ็บทางร่างกายจะไม่รุนแรงความเจ็บที่รุนแรงมันเป็นความเจ็บทางใจ ที่ไปกังวลไปวิตกไปหวาดกลัวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายเราหยุดความความทรมานใจได้ด้วยการสวดมนต์ไปด้วยการพุทโธไปไม่ไปคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เป็นวิธีแรกวิธีที่สองถ้าเราทำได้ก็คือพิจารณาร่างกายดูความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้มันเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือไม่ แล้วมีใครไปห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่าเวลามันเจ็บจะสั่งให้มันหายเจ็บได้หรือเปล่าเวลามันจะตายหยุดมันได้หรือเปล่าถ้าห้ามไม่ได้หยุดไม่ได้ก็อย่าไปฝืนความจริงไปอยากให้มันไม่เจ็บไม่ตายนี่มันจะทรมานก็ยอมรับความจริงไปยอมรับว่าน่างกายมันไม่เที่ยงตามที่พระเจ้าทรงสอน ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่เราเป็นใครเราเป็นดวงวิญญาณที่กําลังหาร่างกายอยู่ร่างกายอันนี้ของเราที่มีอยู่ตรนนี้พอมันตายไปดวงวิญญาณก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปรับตุ๊กตาตัวใหม่จากพ่อแม่คนใหม่แล้วพอได้มาเราก็ไปหองคิดว่าเป็นตัวเราของเรา เราก็เลยอยากจะให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันจากเราไปพอมันจะจากเราไปเราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเรารู้ความจริงว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่ง <Bright. S 1> แล้วก็มันจะต้องมีวันจากกันเราก็เตรียมตัวเตรียมใจสอนใจอย่าไปยึดอย่าไปติดว่าเป็นตัวเราของเราอย่าไปอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดมันจะต้องมีวันพัดผาจากกัน ถ้าคิดอย่างนี้ได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไายได้ป่วยหรือความตายคําถามจากคุณเกียรติศักนะครับกรรมเก่าจากชาติปานก่อนส่งผลต่อเราในชาตินี้หรือไม่แล้วเราจะต้องรับผลกรรมนั้นตลอดหรือเปล่าครับก็ถ้ามันยังไม่หมดมันก็ยังจะมาส่งผลไปจนกว่ามันจะหมดถ้ามันหมดแล้วมันก็จะไม่ส่งผลต่อไปนอกจากเราไปทํากรรมใหม่เพิ่ม มันก็เหมือนหนี้หนี่ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดถ้าเราไม่ไปสร้างหนี้ใหม่ถ้าไปสร้างหนี้ใหม่เดี๋ยวก็ต้องใช้หนี้ใหม่งั้นอย่าไปทําบาปบาปเก่าที่เราทําแล้วเราไปลบมันไม่ได้ก็ต้องรอรับผลบาปไปรับรับผลกรรมไปอย่าไปสร้างกรรมใหม่อย่าไปสร้างหนี้ใหม่อย่าไปทําบาปแล้วต่อไปบาปที่เราทํามันก็จะหมดไป จาคุณวนิดานะครับอา น, นิสงในการสร้างพระพุทธรูปไปถวายตามวัดได้บุญมากน้อยเพียงใดครับได้เหมือนกับใส่บาตรเนยคือมันเร า, เราบอยจากเงินไงเป็นการเสียทรัพย์ของเราไปทําประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่งก็เรียกว่าทานมันเรียกว่าวัตถุทานพระพุทธรูปก็เป็นวัตถุอาหารข้าวหวานนี่ก็เป็นวัตถุกุฏิศาลาก็เป็นวัตถุโบสถ์เจดีย์ผ้ากระถินที่เราทํากันนี้ ก็เป็นวัตถุทนะั้งนั้นเรียกว่าวัตถุทางได้บุญเหมือนกันอยู่ที่ปริมาณเงินที่เราทําทําบาทหนึ่งก็ได้บุญหนึ่งบาททํบะทำสิบบาทก็ได้บุญสิบบาทได้มากน้อยตามปริมาณที่เราเสียสละไปเสียสละมากก็ได้มากเสียสละน้อยก็ได้น้อยกทาง y o u t u ู e นะครับคุณไอซ์เบอร์รี่นะครับเวลาเดินพอเดินไปสักพักรู้สึกว่าจิตเริ่มละเอียดขึ้น จากเดิมที่รู้แค่การยกก้าวเดินของเท้ากลายเป็นรู้การเคลื่อนที่ของร่างกายไปพร้อมกันขากำลังก้าวคอตั้งตรงมืออยู่ข้างกายมีสติรู้พร้อมเป็นหนึ่งเดียวปฏิบัติแบบนี้ถูกหรือไม่คะถูกแล้วนี่ก็เป็นการดึงใจไว้ให้อยู่ที่เดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลานั่งสมาธิจะสงบได้ง่ายได้เร็วก็ต้องเอาไปนั่งต่อ อันนี้เป็นการเจริญสติแต่ถ้านั่งโดยไม่มีสติก็จะไม่สงบยังต้องฝึกสติก่อนที่จะไปนั่งพยายามให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกเวลานาทีทุกกิริยาบทของการเคลื่อนไหวและเวลานั่งมันจะสงบได้เลยจะคุณพีโกนะครับซื้อหุ้นเพื่อรับเงินปันผลและใช้อย่างชีพส่วนเวลาอื่นทาทานฟังธรรมปฏิบัติภาวนา วันละสามถึงสี่ชั่วโมงตามแนวพระอาจารย์สอนถือว่าน้อยหรือไม่รครับก็แล้วแต่กำลังของเราถ้าเราทำได้เท่า น, นี้ก็ถือว่ามากสำหรับเราใช่หไหมสำหรับคนอื่นที่เขาทำได้มากกว่านี้ก็มีถ้าเราต้องการที่จะทำให้มันได้ผลเต็มร้อยเราก็ต้องทำแบบมืออาชีพไปบวชพระ ถ้าเรายังไม่บวชพระเรามีเวลาว่างเท่าไหร่เราก็ทําไปตามเท่าที่เราทําได้แต่ผลมันก็ต่างกันมันผลอยู่ที่อินพุตอินพุตกับเอาพุตถ้า input น้อยเอาพุตมันก็น้อยถ้าปฏิบัติสามชั่วโมงผลมันก็ได้แค่สามชั่วโมงถ้าปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนมันก็จะได้ผลเต็มร้อยจะคุณนักประพัดนะครับหนูเคยอ่านหนังสือธรรมะท่านบอกว่าทําบุญละบาปให้มีสีครบถ้วน แต่เห็นคนสมัยนี้บางคนแอบมีกิ๊กแต่ในขณะเดียวกันก็ทำบุญบ่อยมากอย่างนี้แล้วเขาจะได้บุญไหมคะเพราะเขาทำบุญไปในขณะที่เขาทำบาปข้อที่สามด้วยก็มันเป็นการปฏิบัติสองสองขั้นขั้นทำบุญก็เรื่องของขั้นทำบุญขั้นของการละบาปก็เป็นขั้นของการละบาปมันไม่เกี่ยวกันทำบุญก็ได้ผลบุญที่ทำ ไม่ทําไม่ละบาปก็ยังไม่ได้บุญจากการที่ไม่ได้ละบาปนะเนี่ถ้าละบาปได้ก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นถ้ายัางละไม่ได้ก็ยังยังไม่ได้บุญยังได้บาปอยู่จะคุณโชคนะครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องจิตสุดท้ายพาไปเกิดครับก็จิตสุดท้ายก็เหมือนกับตอนที่ไม่มีร่างกายเหมือนตอนที่เรานอนหลับนี่ก็เป็นเหมือนจิตสุดท้าย เป็นแต่บรรจิตสุดท้ายชั่วขราวเราทิ้งร่างกายชั่วขราวตอนที่นอนนอนหลับนี่เราไม่รู้ว่านงกายมันอยู่ในท่าอยู่ท่าไหนเป็นยังไงแต่ใจเรายังไปต่อเลยใจก็เรายังฝันนะฝันว่าเราไปนู่นมานี่ไปทำนู่นทำนี่จิตสุดท้ายก็แบบนี้พอหมดลมหายใจก็เหมือนนอนหลับไปนอนหลับไปใจก็ฝันไปยาวจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ก็พอร่างกายออกใหม่พอมาจากท้องแม่ก็ตื่นขึ้นมา ตื่แล้วแต่แทนที่เยอนได้ร่างกายอันเก่านี่มาได้ร่างกายอันใหม่นั่นเองมีมีมีนอนหลับกับตื่นสองแบบนอนหลับกับตื่นดกับร่างกายอันเก่ากับนอนหลับกับตื่นได้ร่างกายอันใหม่เวลาที่เราไปเปลี่ยนร่างกายได้ร่างกายใหม่เราก็เรียกว่าตายเวลาเวลาตายเวลาหลับไปแต่ถ้าเราตื screens, ่นน้องกลับมาได้ร่างกายอันเก่าเราก็เรียกว่านอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมา ถ้าได้ร่างกายใหม่ก็เรียกว่าเราตายไปแล้วเราไปเกิดใหม่แต่ใจก็เป็นอันเดียวกันนะใจก็ตัวเดิมเหมือนกันทุกอย่างจากคุณอมรนาถนะครับผมเคยนั่งสมาธิแล้วเกิดแสงสว่างวาบขึ้นมาที่ดวงตาหลังจากนั้นก็ปรากฏภาพของมารขึ้นมาที่คิดว่าเป็นมารเพราะจิตบอกโดยสัญชาตญาณเหมือนมานตรตนนั้นกําลังยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์เหมือนเห็นภาพนั้นปรากฏด้วยความตกใจภาพที่สว่างนั้นก็หายไป กลายเป็นนั่งหลับตาธรรมดาอยากถามพระอาจารย์ว่าภาพที่เห็นนั้นเขาต้องการสื่ออะไรหรือมารตนนั้นตังการขัดขวางการปฏิบัติของกระผมครับถ้าเขาต้องการละไรก็บอกเราเองถ้าก็ไม่บอกเราก็ไม่ต้องไปสนใจให้รู้เฉยๆแล้วก็ลืมมันไปซะมันเป็นอดีตไปแล้วให้เราตั้งจิตอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับความว่างอยู่กับความรู้เฉยๆ อะไรมารู้อะไรมาก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันเกิดแล้วดับไปถ้ามันมีความหมายอะไรมันบอกเราเองถ้ามันไม่บอกเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจจะพุณอัชลานะครับพุทโทแล้วสงบต้องสวดมนต์ด้วยไหมครับสงบแล้วก็ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องพุทโทให้มันสงบเฉยๆให้มันนั่งนิ่งเฉยๆไปนานๆจะคุณมิจิโกะนะครับตอนยืนสมาธิแล้วหลับตามมีความรู้สึกว่า มือจะไม่แนบกายเหมือนยกขึ้นแต่ไม่รู้สึกเมื่อยมือเป็นเพราะอะไรครับเวลาจิตสงบมันไม่ไปรับรู้เรื่องของร่างกายร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันจะไม่รู้สึกอะไรคำ ถ, ถามข้อต่อไปนะครับจากคุณไม่ไม่ประสงค์ออกนาม น, นะครับพระขับรถยนต์ผิดไหมครับก็ทําเนียมของพระท่านไม่ไม่นิยมให้ สมไมโบราณท่านก็ไม่นั่งรถนั่งรถอะไรท่านเดินกันเพราะฉะนั้นมันก็มันไม่มีข้อห้ามโดยตรงเ ป, เป็นแต่ว่าเป็นธรรมเนียมที่พระเขาไม่ไม่ขับยานอะไรกันตอนตอนนี้คำถามทางเ c e บุ๊กหมดครับแต่ว่ามีผู้ปฏิบัติครับเขากำลังติดขัดอยู่ทางไรื่อยดีครับ <c oughs> อผู้ตังหนัง ปฏิบัติสมาธิมา ท, ที่นี้เมื่อเช้านะครับอยู่ดีบผมก็ปฏิบัติเหมือนอย่งเคยแต่ทีนี้สมาธิผมมันพิกมันพิกกลับไปเป็นเหมือนสถานที่เหมือนคนที่ว่าไม่เคยสืกคันมาเลยครับก็รู้เฉยๆมันจะเป็นยังไงก็ให้รู้เฉยๆใช่แต่แต่แต่ผมลองลองดูแล้วผมอาจจะแบบว่าไปไปโลบเมื่อวานนี้เหมือนกันเมื่อวานนี้ตอนเช้าผมนั่งแล้วก็เหมือน อาจจะเป็นเพราะจิตเมื่อวานนี้อาจจะดีครับวัวนนี้ตอนเช้าก็เลยแบบอาจจะเป็นนึกถึงเมื่อวานนัดไปอ๋อการปฏิบัติมันก็มีขึ้นขึ้ น, นลงลงเนี่ยนั้นบางทีก็เหมือนการเราชำนาญบางทีก็เหมือนกับเป็นคนเริ่มหัดทำใหม่อยู่ที่สติของเราสติของเราบางทีถ้าเผลอมันก็เหมือนเริ่มหัดใหม่แต่ถ้าไม่เผลอนี่มันก็เหมือนกับคนชนานาญพอนั่งปุ๊บมันก็สงบได้เร็ว ดังนันเราต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆอย่าให้มันเสื่อมพยายามประคับประคองใจให้อยู่กับเรื่องเดียวไปทั้งวันอยู่กับร่างกายหรืออยู่กับพุโทโธไป น, นสติมันจะไม่เสื่อมม า, ม า, มาชานิพพพอดีผมก <c oughs> ็ลองลองสู้แบบเดิมยังผมกวะว่ายังไงก็ต้องให้ลงมาแต่ยังไงก็ไม่ลงเอาไปบางครั้งไม่ได้มันจะลงไม่ลงอยู่ที่สติไม่ได้อยู่ที่การที่เราจะไปสั่งให้มันลง ให้อยู่กับสติไปมันจะลงไม่ลงไม่ต้องไปสนใจถ้าไปอยากให้มันลงมันไม่มีวันลงเพราะมันจะไม่มีสติพอเกิดความอยากแล้วสติมันหายไปงั้นเวลานั่งอย่าไปมีความอยากอย่าไปบังคับมันอย่าไปสั่งมันเพียงแต่ให้มีสติอยู่กับลมไปอยู่กับพุทโธไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเหมือนตอนที่เรานอนหลับนะถ้าเราไม่ไปคิดรายเดียวเราก็หลับถ้าไปคิดว่าอยากจะหลับอยากจะหลับนี่มันไม่หลับทั้งคืนน่ะ พอใจไหมอย่าไปคิดแ ล, แ, ลแล้วมามาวันนี้อย่างอย่า ง, งผมปฏิบัติทีนี้มามาชา้าเมาเมื่อวานาาวางเช้ามันิ่งหมบผมผมคิดว่าความทุกข์ในสมาธินี่มันน่า ก, กลัวมากเพราะว่าถ้าวันหนึ่งความสุขแบบนี้มันมาไม่ถึงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี้ยครับ <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าถ้าอย่างนี้ผมต้องแบบว่าไม่ไม่เสพกับภาวะจิตนี้ด้วยแล้วก็แบบ ไม่ไม่ไม่เสพความิงทุกข์นี้ด้วยคือว่าผมกลัวันนึงถ้าถ้าถ้าภาวะจิตมันจะไม่ถึงความสุขนั้นเยมันจะเหมือนมันจะเกิดไม่ถูกเกิดไม่ถูกแล้วถ้าถึงทําถึงแล้วมันถึงเรื่อยๆมันมันจะไม่ไม่หรอกเหมือนพิมพ์ดีดแตนก็จะพิมพ์ไปได้เรื่อยๆหรือว่ากลัวไม่รูครับเมื่อวานก็กลัวแล้ววันนี้ก็เลยมันหลอกตัวเองกิเลสมันหลอกเรามันหลอกเพื่อให้เราไม่นั่งสมาธิกัน ถ้าเรามีสติเราทำใจให้สงบได้ทุกเวลาแต่ว่ามันมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากสมาธิคือความสุขที่เกิดจากการใช้ปัญญาหยุดความอยากอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำต่อแต่อย่างน้อยเราก็มีกาไรแล้วถ้าได้สมาธิก็เหมือนได้กําไรแล้วแต่ยังไม่ได้กําไรแบบที่ถาวร ก็สมาธินี่มันยังเสื่มได้ถ้าเราเพลอไม่รักษาสติต่อไปก็จะเข้าสมาธิไม่ได้แต่ถ้าเรามีความสงบจากการใช้ปัญญานี้มันจะถาวรถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้หยุดความอยากต่างๆได้ใจก็จะไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิมีความสุขได้โดยไม่ต้องเข้าสมาธิแล้วอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าตอน ตอนเช้าผมนั่งสมาธิที่บ้านก่อนครเอาให้คิดสมุก่อนปุ๊บแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมมานั่งฟังอาจารย์ผมก็นั่งสมาธิแค่ส่วนเดียวแล้วก็เจริญปัญญาในภาคสมาธิอย่างนี้นะครับเอเวลานั่งฟังธรรมควรจะฟังวองการฟังธรรมนี่เป็นการเจริญปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่เราไม่มีเราฟังธรรมนี่เราจะได้เรียนได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนแต่ถ้าเรามานั่งฟังแล้วเราไปคิดของเราเองก็อย่ามานั่งฟังดีกว่า ไปนั่งที่ไหนเงียเงหรือไปเดินที่ไหนแล้วก็ไปคิดของเราคนเดียวอันนั้นถ้าจะฟังธรรมก็ต้องฟังถ้าไม่ฟังธรรมก็ไปหาที่มุมสงบที่ไหนนั่งของเราคนเดียวเหมือนเหมือนยังยังยังผมฟังเหมือนผมแบ่งคล้ายๆแบบว่าผมแบ่งแบบว่านั่งให้สงบบางส่วนด้วยแล้วก็ฟังฟังธรรมแบบฟังธรรมด้วยครับอย่างอย่างนี้ก็ได้แค่มันก็ครึ่งๆึ ก็ดูหนังครึ่งเดียวอ่ะบางทีดูแล้ไม่รู้เรื่องอ๋อบางทีถ้าเกิดว่าเราเราไปลงสมาธิปุ๊บไอ้ธรรมก็าอาจจะหลุดคอขอ้ขอที่ว่าใช่แต่ก็ไม่เป็นไรถ้ามันสงบก็ยังถือว่าไม่ขาดทุนมันใช้การฟังธรรมเป็นอารมณ์กล่อมใจก็ได้แต่เราก็จะไม่ได้ปัญญาแต่ช่วงนั้นไปช่วงที่ขาดพ้นหนึง่งก็เหมือนไม่ได้ฟังธรรมก็จะนั้นต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ฟังธรรมเลยแล้วก็ตัวใหญ่ฟังธรรมมันก็ต้องเลือกเอาฟังธรรมนะเอาปัญญาถ้าไม่ต้องการปัญญาก็ไปนั่งคนเดียวก็ได้ไม่ต้องมานั่งฟังนอกจากว่าเรานั่งคนเดียวแล้วไม่สงบต้องอาศัยการฟังธรรมเป็นตัวก่อบเราก็ใช้เสียงธรรมแทนพูดโธไปก็ได้ฟังโดยที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ให้ใจเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไปเรื่อยๆมันก็สงบได้เพราะบางคนนั่งคนเดียวนี่นั่งสิบห้านาทีก็ต้องลุกแล้วแต่ถ้ามานั่งฟังธรรมนี่ ช่วโมงหนึ่งก็นั่งได้เพราะมีเสียงคอยดึงใจไว้กล่องใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บางคนที่มาฟังธรรมว่าเขานั่งทให้เขานั่งเฉยๆได้นานถ้าไม่ได้ฟังธรรมอยู่เดี๋ยวคิดนู่นคิดนี่นั่งได้ไม่ห้านาทีก็อยากจะลุกแ่้อันนี้เขาก็ต้องอาศัยการฟังธรรมช่วยให้เขามีสติอยู่กับการนั่งเฉยๆให้ได้ก่อนอถ้ามีสติแล้วถ้าอยากใช้มันสงบนึกกว่านั้นก็ต้องไม่ฟังธรรม ดูลมหายใจอย่างเดียวหรือพุดโธอย่างเดียวแล้วมันจะลงไปลึกกว่ามันจะอยู่ในระดับที่ไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นลดเลยตอนฟังธรรมนี่มันยังรับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นลดอยู่แต่มันก็สงบเหมือนกันแต่มไม่ลึกเหมือนกับเวลาที่เราดูลมหายใจหรือพุดโธอย่างนี้เพราะมันจะไม่มีเสียงมาคอยดึงใจเราไว้เวลาเราฟังธรรมเรามีเสียงดึงใจไว้ให้สงบในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถลงไประดับ ที่การที่ไม่รับรู้เสียงได้ถ้าถ้าอย่างนี้หนูฟังหลวงพออยู่แล้วเสียงทุกอย่างดับพลดตรงแล้วหนูก็ก็ได้ก็แสดงว่าจิตมันปล่อยเสียงแล้วมันเข้าไปก็ได้อาจจะมีอาจจะเป็นได้เหมือนกันตรงนั้นเราตัดได้ไหมเราตัดเสียงมันออกได้ไหมเราตัดเองไม่ได้มันอยู่ที่จิตถ้ามันจิตมันเข้าไปมันก็จะตัดเองโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติจะมันรม้นานหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละ ไม่ต้องไปสนใจชื่อมันก็แ <ๆ S 1> ล้วกันขอให้มันสงบแล้วมีความสุขมันเหมือนเสียงดับไปใช่ไหมครับอาจารย์ผู้ดับตับไม่อย่างนั้นนะแบบผู้ดับตับไม่บางทีร่างบบากายก็หายไปเหลือแต่ตัวรู้เฉยๆตัวเดียวถ้าอย่า ง, งนั้นเรียกว่าอัปปนาจับแต่ว่ารู้บางทีบางทีผมจะผมจะเคยเป็นแบบเหมือนกับไม่รู้สถานที่ที่อยู่เลยอ่าเหมือนเหมือนลอยอยู่ในอวกาศนี้่นั่งลอยอยู่ในอวกาศแล้วมันก็จะงงว่าอยู่ที่ไหน ถ้างงมันก็ยังแสดงว่ายังยังยั ง, ย, งยังไม่สงบเดียวถ้ามันไม่มันไม่งงมันถ้ามันเฉยเฉยก็สงบพอคิดอย่งางนั้นปุ๊บมันก็จะกลับมาเรรู้ให<ๆ>ม่แสดงว่ามันสงบแป๊บเดียวแล้วก็ถูกกิเลสมาเริ่มปรุงแต่งให้หลอกให้ล่อเราอีกมันก็เลยถอนออกมาถ้ามันสงบแล้วเรารู้เฉยเฉยไม่ต้องไปคิดอะไรนั่นเองจะสงบสงบได้นาน หมดแล้วยังที่จะถามนี่หมดแล้วใช่ไหมทางบ้านมีอีกไหยไม่มีแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวรอ ย, ยังมีห้านาทีแต่ใครยังอยากจะถามก็พิมพ์ก็ามาได้เรอการปฏิบัตินี่อย่าไปคาดกันเนเวลาปฏิบัติจริงๆนั่งสมาธิจริงๆนี่อย่าไปคิดว่าสงบเมื่อไหร่สงบหรือยังทําไมไม่สงบสักทีอย่าอย่าคิดเลย ให้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จะสงบยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจจะลบสงบแบบตกลุมตกบอ่อแล้วสงบแบบแบบแบบเปลี่ยนเกียร์รถนี่มันก็แล้วแต่ครับยังยังเมื่อเช้าเวลาผมนั่งพูดไม่ได้ปึ๊บเราถูกหอกมาเหมือนผมรู้ตัวเลยว่าวันวันนี้ยผมมันก็โดน ล, ลงมาเป็นผู้เล่นเองมันเหมือนแบบว่าผมก็โดนแบบตกลุมบอลกอับมาแต่ถ้าเกิดผมผมสังเกตว่าเมื่อวานเนี้ยเเราเป็นผู้ดูเฉย ถ้าผู้ดูเฉยๆมันจะสงบถ้าเป็นผู้เล่นแล้วมันก็จะไม่สงบแล้ววันนี้ผมลึกไปลึกมาปึ๊บอ่าวันนี้เราเป็นผู้เล่นคล้ายๆแบบว่าตอนท้ายปุ๊บมาวันนี้เราเราเปลี่ยนจากผู้ดูกายเป็นผู้เล่นก็มันมันเมันวางวางผิงไดไปตรงแะไรผู้เล่นก็วุ่นวายเพราะผู้เล่นมันก็อยากให้เป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาถ้าผู้ดูก็เฉยๆเป็นอะไรก็ช่างหัวมันให้หัดเป็นผู้ดูเหมือนดูหนังเนี้ดูหนังนะดูได้สองแบบดูแบบผู้ดูก็ได้ดูแบบผู้เล่นก็ได้ หรือว่าผู้เล่นก็ตื่นเต้นตกใจไปกับหนังที่ดูใช่ไหมหวาดกลัวผีโผล่มาก็ต้องหลับตายแสดงว่ากําลังเล่นอยู่กําลังเข้าไปอยู่ในจอถ้าเป็นผู้ดูบอกว่า hey, กูกาลังดูเฉยๆไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกนะครับแต่แต่ว่าเวลาจิตเวลามันเผอชัก ผ, ผู้มันชอบเป็นผู้เล่นไงมันบางทีมันมันพลิกกลับมาเป็นผู้เล่นอีกใช่มันชอบเป็นผู้เล่นไงถึงต้องใช้สติหนึง่งมันออกมาจากจอ เราชอบเป็นผู้เล่นตลอดเวลาไม่ชอบเป็นผู้ดูกันในพระเจ้าสอนให้เป็นผู้ดูผู้รู้ไงคำว่าพุทธะก็คือผู้รู้แต่แต่ครับแต่อย่างเมื่อเช้าเนะี้ <c oughs> ผมวางจิตแบบเมื่อวานเปี้ย <c oughs> คือว่ามุมเดิมท่าเดิมเวลาเดิมเพราะว่าผมคิดว่าการบริกรรมอะไรเริ่มต้นก็เหมือนเมื่อวานเปี้ยแต่วา่าผมเข้าไปเป็นผู้ <c oughs> ผู้ดูไม่ได้ถ้าทาแบบนั้นมันเป็นผู้เล่นแล้วละพะเราไปไปกไปไปกาหนดมัน ไปกำหนดให้มันเหมือนเมื่อวานนี้ก็เป็นผูเ้ เ, เ, เล่นแล้วอเป็นผู้เล่นเนีไยเราไปเอากำหนดว่าต้องเอาเป็นแบบเมื่อวานนี้และวเราอย่าเอาอาดีตมาเกี่ยวข้องกับปัจจุบัน finale. ปัจจุบั น, นนี้ให้เป็นผู้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆนี่เราเป็นผู้เล่นแล้วเราไปเอาอาดีตมาจัดการเราต้องวางกล้องแบบนี้วางท่าแบบนั้นอนี่เป็นผู้เล่นไปแล้วลู ก, u, กลับอะ <laughs> และ้วผมจะมีปัญหายอย่างนี้ทุกทุกครั้งเลยเวลาสมมุติว่าวันนี้ผมทาแบบว่า จิตดีเยอะพุดด่งไิดแต่เกิดเป็นห า, ยยานี้ครั้งแรกเพราะเราชอบไปดึงมันมาอดีตมันผ่านไปแล้วไงเวลานั่านางมันต้องเป็นปัจจุบันอดีตต้องไม่มาเกี่ยวข้องอนาคตไม่ต้องมาเกี่ยวข้องให้รู้เฉยๆไปกับพุทธโธ ร, รู้ไปกับมมนมเหมือนถ้าเกิดว่าแค่แค่คิดว่าจะเดินทางไปโซวันนี้ก็คือว่ามันไม่ไม่เป็นปัจจุบันขนานนมันคิดแล้วไงมันคิดแล้วก็คิดว่าเหมือนไปอนาค ต, าคตละขึ้นมาก็ค<า>ือว่าการคิดอส่งจิตไปอนาคตละไม่อยู่ในปัจจุบัน จุบันก็ต้องรู้เฉยๆรู้กับนมรู้กับพุทโธไปอย่างเดียวหมดหรืยังทางบ้านนี้เข้ามาไหมมีครับแต่มีไม่เอาสักข้อหนึ่งข้็เข้ามาข้อสองข้อก็ได้ครับแถมหน่อยเดี๋ยวเขาจะเสียใจใจคุณปราณีนะครับนั่งไปนานๆแล้วมันเข้าลึกลูกรู้สึกกลัวทําอย่างไรดีคะอ๋อไม่ต้องกลัวเรากําลังเข้าไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดชั้นดีที่สุด จากคุณนายหนุ่มนะครับตัวนึกคิดคําบริกรรมพุทโธคือผู้รู้หรือจิตเดิมของเราใช่หรือไม่ครับไม่จะเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งแต่คิดปรุงแต่งเพื่อทําให้จิตนิ่งให้สงบเพราะมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวพุทโธพุทโธนี่ยมันมเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกระเป๋ารองเท้าเนี่ยลองคิดถึงกระเป๋ารองเท้าเดี๋ยวมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่ถ้าคิดกับพุทโธพุทโธแล้วเดี๋ยวมันจะนิ่งจะสงบ ข้อนะครับข้อสุดท้ายนาย น, านะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โยมไม่สบายคือเป็นไข้หวัดปวดเนื้อตัวโยมนอนสมาธิหายใจดูกายดูจิตไปเรื่อยแล้วจิตค่อยๆดับวูบลงพ อ, อยโยมรู้สึกตัวอีกทีความเจ็บป่วยก็หายไปแต่ช่วงที่จิต ด, ดับไปจิตโยมช่วงนั้นไปอยู่ไหนครับ มันก็แล้วแต่ว่าดับแบบไหนดับถ้าถ้าดับแบบมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาก็เป็นสมาธิถ้าดับแบบไม่มีสติก็หลับไปก็มันนอนหลับไปก็มีสองแบบก็เรียกว่าผวังผวังสมาธิกับผวังหลับถ้าผวังสมาธิจิตก็นิ่งเฉยไม่ทํางานรู้เฉยเฉยถ้าเป็นผวังหลับก็จิต ก, ก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนคนนอนหลับไปเอาแล้วนะก็คิดว่า มีไหมมีของยูทูบสักข้อแล้วคับ น, นะครับขอบคุณนุชนะครับยิ่งนั่งสมาธิเวทนาเกิดช้าจากแต่ก่อนนั่งสามสิบนาทีเจ็บปวดแต่ตอนนี้กลายเป็นชั่วโมงกว่าถึงเวทนาเพราะอะไรคะเพราะเรามีสติดีขึ้นไงจิตสงบมากขึ้นมันก็เลยไม่รับรู้กับความเจ็บหรือรับรู้แบบไม่ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับมันแต่ถ้าไม่มีสติเหมอนพออยากจะลุกมันจะรู้สึกเจ็บขึ้นมาทัานทีเลย อยนั้นถาเราจิตมีความมีสติมากมีความสงบมากมันก็จะนั่งได้นานแล้วความรู้สึกทางเวทนามันก็จะนานมันจะจะน้อยแล้วจะนานนานมันถึงจะเกิดขึ้นมาได้ที่มันเกิดก็เพราะว่าสติเราเริ่มหมดกําลังแล้วมันก็เลยเริ่มรู้สึกขึ้นมาเอาแล้วไนงะแล้วอย่างนี้เราต้องตามไม่เจอเวทนาไหมครับเอไม่ต้องตามที่เราฝึกเวทนาเพื่อเรา ซ้อมไม่เหมือนเวทนาเป็นคู่ต่อสู้เราเราเป็นนักมวยเราต้องขึ้นไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้เราก็ต้องซ้อมโชกกระสอบทรายซ้อมโชกกับเพื่อนก่อนกุดเพื่อเราจะได้รู้เวลาที่เราขึ้นเวทีเราจะได้ไม่ไม่ถูกมันน็อกเราเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องเจอความเจ็บไายได้ป่วยเจอความทุกข์ทางร่างกายความเจ็บปวดทางร่างกายแต่ถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับมันแนละ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่กับมันได้ หาใจนะโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ